ไม่ไหว บอกถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็อยู่ไม่ไหวแต่ถ้มีธรรมะขึ้นมาในใจมันต้องเป็นความจริงอโลกมันไม่แน่นอนอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์เลยเรามีชีวิตอยู่เพราะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นมันต้นงถุยเราไม่ได้เสร่อมสลายไปทั้งหมดในปัญหาที่เกิดขึ้น เนี่ยถ้าคนไหนขาดธรรมะเวลาคือความแปรปรวนขึ้นในชีวิตมันอยู่ไม่ได้เนี่ยลมล่มสลายทางจิตใจจิตใจล้มสลายาการนารงชีวิตการทำมาคิดอะไรจุ้งไปหมดครอบครัววุ่นวายไปหมดเลยถ้าเป็นพายย่าหลวงพ่อเนะี่ยจะอยู่คนจนํานวนมากเจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้มีคนหนุ่มคนสาวแข็งแรง อยู่ๆเป็นมะเร็งเยอะมากเลยคนเต็นนี้เป็นมะเด็งจะตายแล้วก่อจะรู้ตัวใกล้จะตายแลถ้าไม่มีธรรมะมันตายซะก่อนจะตายจริงๆตายทางจิตใจจมไปด้วยความทุกข์ทุรนทุรายก่รธรรมะนี่ให้ประโยชน์เราทั้งในการดำรงชีวิตแล้วก็ประโยชน์ที่ยิ่งยๆกันไปอีกคือถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราอยู่กัโลก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 สิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเรามีกายแก่ใจนี่เองกะทั่งร่างกายเราก็มีแต่ความแปรปรวนมีแต่ของบังคับไม่ได้จิตใจมีความแปรปรวนบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้นะถ้าท่านตัวเองแปรปรวนไปใจแก่ใจเจ็บจะตายยังไม่หวั่นไหวเลยแล้วสมบัติทรัพย์สินเงินทองครอบครัวจะเป็นอะไรนะมันก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเอง อย่างบางคนบอกว่าไม่จริงเรารับลูกมากที่สุดที่เรารับลูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเรามันลูกคนอื่นเราก็ไม่รับหรอ ก, กเพราะที่จริงเรารับเพราะว่ามันเรื่องขังเราเองรับตัวเองสูงที่สุดเลยมันรุทั้งลหลายสัตว์ทั้งลหลายเนะี่ยรักตัวเองมากที่สุดแต่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่สนใจตัวเอง ต่นนนมาเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาความสนใจของเราออกข้างนอกเราลองทบทวนย้อนกลับเข้ามาสนใจตัวเองค้นหาตัวเองให้พบถ้าเราค้นพบตัวเองแล้วใจเราจะเต็มหิมขึ้นมามันจะไม่หิวใจทั้ววันไม่หิวตลอดเวลาอยากน้องอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราค้นพบตัวเองได้จะไม่มจะเต็มหิ่มขึ้นมา ในสมัยพุทธกาลมีเจ้าชายหนุ่มๆสามสิบหกไปเที่ยวหาผู้หญิงไปเจ้าผู้หญิงไปด้วยเก็เผลอแล้วพวกโสเภนีแล้วขโมยสมบัตินี้ไปเจ้าชายสามสิบหกเนี่ยที่เราตามเอาสมบัติคืนพี่เจอว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปตามผู้หญิงดีหรือจะจะค้นหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะค้นหาตนเองดีกว่า แช้งใช้สามสิบโภแล้วนั่นถึงได้เราควนพบตัวเองดีกว่ า, าเราไปเที่ยวหาคนอื่นหาเนได้ประโยชน์อะไรได้ของคืนนิดหน่อยถ้าคนพบตัวเองได้แล้วก็ชีวิตมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาการพบตัวเองการค้นพบตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องยากมีสองอย่างที่เราจะไม่ทำอันหนึ่งก็คือการลืมตัวเอง เราละตัวเองแต่เราลืมตัวเองทั้งวันใจเราหลงน อ, นอคิดถึงคนอื่นสิ่อื่นเวลาคิดถึงตัวเองก็ไม่คิดถึงตัวเองในปัจจุบันไม่รู้สึกถึงตัวเองในปัจจุบันเราไปคิดถึงตัวเองในอดีตบ้างในอนาคต บ, บ้างเมื่อก่อนเราอย่าง น, นั้นอนาคตเราจะอย่างนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเ้าถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองใจเราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ลงไปในโลกของความคิด คิดแต่อดีตคิดแต่นาคตเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในปัจจุบันนี้แล่นศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลยก็คือการที่ลืมตัวเองหลงไปลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันนี่เป็นปัญหญาใหญ่ที่สุดเลยะคนในโลกและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆหลกงพ่อพูดได้ๆในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัว หายากจริงๆเลยผมรู้สึกตัวไม่มีแต่คนลงไม่ได้แกนว่าใครด้วยนะหลงจริงๆนะมัหลงไปอดีตลงไปอนาคตลงไปเรื่องของคนอื่นลงไปเรื่องของสิ่งอื่นเริลืมกลายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยงั้นงานแรกเลยนะถ้าถ้าเราอยากเรารู้จักตัวเองให้ได้คนพบตัวเองให้ได้คือต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าหลงเลนไง เราก็จะลืมตัวเองมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมดัน้การที่หลงไปนี่แหละคือสตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติลนะศตรูหมายเลขสองของนักปฏิบัตินะั้นก็คือการไปบังคับกายบังคับใจข่มร่างกายเคยหายใจสบายๆนะก็หายใจไม่สบายแนละ้วไปบังคับการหายใจของตัวเองเคยยืนเดินนั่งนอนอย่างสบายๆก็นะออไม่สบายแนละ้ว พอเราคิดถึงการเดินโจรกลงก็พยก็ไปดัดแปลงการเดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาจะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนธรรมดาอะไรจะนอนก็ไม่เหมือนธรรมดาจะกินก็ไม่เหมือนธรรมดามันบังคับกายบังคับใจตลอดเวลาสต่เกี่ยวเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมพอเรารงมือปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองเกือบร้อยละร้อยเลย ก็ลงมือนั่งก็เริ่มซ่อนออกมาับร่างกายต้องนั่งทานนี้นะแล้วก็จิทะเลาะนิ้วควระจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่อย่างนี้มีหลายแบบเริ่มเสียงเรื่องที่นันเซนมาเลยเรื่องๆเลยบงังคับตัวเองเวลาจะเดินจกกงกรมพ่อแม่สอนให้เดินมาได้ตัเด็กเดินเก่งเดินชับ ป, ปิ้งมันหนึ่งหลายชั่วโมงก็ได้เดินจกกงกรมงานแรกที่ทําก็ว่างฟ้อง แล้วก็เล่มเจียงกันมือจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่อย่างนี้หรืออยู่อย่างนี้เอ่อเจียงกันเจียงกันที่เปลือกเริ่มเพิ่มบำบัดร่างกายสําเร็จแล้วเราไปบังคับใจนั่งได้ทีแล้วก็บำ บ, บัใดใจบำบัดเวลาจะเดินจงกรมเห็นไหมาวางฟองเข้าที่แล้ก็บังคับใจบำบัดกายเสร็จ แ, แล้วก็บังคับใจ ต้องคล้มคุ้มไว้ก่อนคุ้มไม่ก่อนพ่อสอนไว้สิ่งเหล่านี้ทําให้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะเราไป้แทรกใส่กาย แ, ใจใจแา ท, ทรกใส่ใจเสียแล้วถ้าปฏิบัติธรรมที่เราจะให้ประจักษ์ตัวเองค้นพบตัวเองเราต้องต้องดูตัวเองอย่างที่มันเป็นร่างกายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่าง แต่ถ้าเริ่มต้นในการบังคับตัวเองกายก็นิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งกว่าความเป็นจริงหลงพลาดและสิ่งที่พลาดมีสองอันนะหลงไปเผลอไปลืมกายลืมใจเวลาใจลอยรู้สึกไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราลืมมันไป้วจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราไม่รู้เราลืมมันไปแล้วเนี่ยสถูปเบอร์หนึ่งสถูปเบอร์สองเรบังคับกายบังคับใจให้เป็นเครียด ในสภาวาบาดีสุดโต่งในข้างหลงไปตามทิเลสไปเรีการมาสู่คว า, ารโดยโยคสุดตรงมาข้ามบังคับกายบังคับใจเรียกัคติกิรมานฐานนิยมสองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชิตไม่ควรเสกในพวกเราก็ถือไว็บรรพชิตด้วยก็แล้วกันนะเป็นนักปฏิบัติไม่ถึงขนาดออกมวชเราก็เป็นนักปฏิบัติแค่สองสิ่งนี้เราไม่ออกอย่าให้จิตสุดตรงไปสู่ความ ส่วนตรงสองข้างข้างตามใ จ, ใจกิเลสเลอเลือนไปลืมตัวเองกับข้างข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากสังเกตไม่เดินช็อปปิ้งได้หลายชั่วโมงไปเดินจงกลมนะสิบห้านาทียี่สิบนาทีจลตายแล้วเครียดจะตายแล้วเพราะมันทําัเองให้ลําบากทางสายกลางอยู่ที่การรู้ตามคว า, ามเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเรามีอยู่แล้ว ร่างกายเราหายใจอยู่แล้วร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเราไม่ลืมมันแค่ไม่ลืมมันแต่อยา่าไปเจ้องมันแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนะไม่เฝ้าจ้องแบบแย้ฆ่าสายตาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกมันเป็นดีกรีของการรับรู้ถ้าจ้องมันจ้องจ้องเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจ ไม่ใช่หลงไปและก็ไม่ได้จ้องไว้แค่รู้สึกเงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากเลยถ้าเราไม่แค่รู้สึกแล้วเราก็เพ่งแรงไปหรือไม่ก็หลุดไปเลยเสือไปเลยออนไปขนาดนี้นสังเกตไหมตั้งใจฟังไหมส่วนหนึ่งจิตใจวิ่งมาอยู่ที่หลงพอส่วนหนึ่งจิตใจมีมออวนนิคิดรู้สึกไหมฟังแล้วก็ไหลไปคิดฟังแล้วก็ไหลไปคิด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 แไปยักหน้าแค่รู้สึกแต่ถ้าเพงนะ่งหนักเนี่ยหน้าอย่างนี้เกิดไปอย่าง น, นี้ไม่ใช่แค่รู้สึกแลแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกนะใจจะโปรงโล่งเบานะแต่ถ้าเพ่งจอ้องใจจะแน่นใจชะนักให้เราวัดตัวเองได้เลยถ้าว่าอะไรใจมันหนักหนักแน่นๆลงมือปฏิบัติแล้วหนักหนักแน่นๆน่นนะของเกลียละของหลอนะ่อละ กลายเป็นเพ่งมากไปจะกินขานนา้าวเคนเราก็ไปเริ่มจากคนนะฝึกกรรมฐานอะไรมารูปกรรมจรู้เหมือนกันนะบอกไม่ได้กินข้าวเช้าแล้แปงฟันนะแกแปลงฟันได้เจอเพื่อนกินข้าวกลาวันเสร็จแล้วแกยังแปลงฟันไม่เสร็เนี่ยโหตายเหงื่อแห้งพดีมันกินธรรมชาติ อย่าไคิดแค่ทำ ม, มานะครับผิดธรรมชาติธรรมดานะของธรรมดาที่สุดเลย ม, มันง่ายสุดยากง่ายจนเราคิดไม่ถึงว่ามันง่ายขนาดนี้เราจะไปวาดภาพเลยเสารุรายุ่งยากไปหมดเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเพื่อจะสอนนะดูกราฟิกสูตทั้งหลายเนะมื่อหายใจออกนะหายใจออกยาวรู้ว่าห้ใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าห้ใจเข้ายาวยากตรงไหน่ะ ให้สอนง่ายๆเลยพิสูจน์ทั้งหลายให้ครูบัลัาลครูก็นั่งเป็นนั่งสมาธิทําไมต้องนั่งสมาธิเพราะพระสมัยนั้นไม่มีกุญแจนั่งคนแขกคนอิตาห์นั่งกระเพื่อนก่อนนั่งบวถ์ทั้งหลายนั่งกเพืนท่าสอนให้นั่งกระเพื่นนั่งกระเพื่นแล้วบอกพิสูจทั้งหลายอย่งนั่งทับเพียงไม่ไหวใช่ไหมนั่งไม่สบายนั่งไม่ได้นานให้ครูบันดานั่งสมาธิเป็นท่านนั่งที่สบายที่สุดสมการนักที่พื้น อนะผู้บันลังตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้เพ่งนะบอกให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าเพีแค่รู้สึกรู้สึกถึงต่างกายที่กำลัง ใ, ใจอยู่ผูบัรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตาด้วนยะของเราพาตั้งได้ปุ๊บต้องหลังตาไว้ก่อนทําไมต้องหลับตาไว้ก่อนเพราะมันจริงเมื่อก่อนดูนังจากอย่างงงมากนะเห็นฤาษีที่ไรเขานั่ง หลักษานนันใช่นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีหนวด ย, ยาวนอกก็จบไปทําลังได้นะถือว่ายอดเยี่ยมเลยมันเป็นเรื่องเท่าไหร่เราอยากทำเกิดที่พระเาสอนให้สองของง่ายเท่นี้นเลยสุวรรทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดําโงสติเฉพาะหน้าหายใช้ออกยาวรู้ว่าหายใออกยาวหายใจเข้า ย, ยาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแ ค, แค่รู้แค่รู้สึกเห็นหน้าใจมันหาใจใจเรารู้สึกอย่าง ส, ส, สบายรู้นะรู้ตัวเอ ไม่ได้สอนว่าพิสูจท์้ไหลพิงไว้ พ, งไ ว, พงไว้รูปเนะ่งหรือพิสูจท์น้ำไหลปล่ยใจให้เคลิมนะนั่งแนละ้วปล่อยใจใเคลไม่เคยสอนเลยสิ่งเหลา่านี้แต่พวกเราทำสังเกตไหมพอเรานั่งสมาธิปุ๊บถ้าไม่บังคับให้เคียดเครียดตึให้อนแล้วก็เคลิมเลยบางคนชอบปล่อยใจให้เคลมคิดว่าเคลิ้มคือสงบเมื่อก่อนหพ่อหัดตอ น, นเด็กๆก็สังเกตุให้ตอนที่จิตมันปสมาธินมันเหมือนเคลิ้มเลิ้ม เลยแกล้เคลิบเลยแกล้งป่ไปนปล่อยนี้ได้ยิ่งดีมากเลยตื่หลับไปชั่วโมงหนึ่งวนเวลาตื่นขึ้นมาวันนี้สงบเ้าจริงวันนี้สลบไปชั่วโมงไม่ได้เรื่องหรอกแล้วรู้สึกตัวของง่ายที่สุดเลยพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อจะก้าวไปให้รู้สึกนะเมื่อถอยหลังเข้ามาให้รู้สึกอะไร เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่เขาม่รู้ชัดเป็นไงรู้ชัดมีรู้สองชนิดซ้อนกันรู้ได้สติก็รู้ได้ปัญญารู้ได้สติก็คือรู้ถึงการที่กาลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ขาดสติถ้าขาสติคือเสอลืไปเลย ยือยู่ก็ไม่รู้เดินอยู่ไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้นอนอยู่ก็ไม่รู้ขยับมือก็ไม่รู้นะอย่างพวกเรานั่งแลเราเก่าตั้งแตก่อนี้นะตั้งแต่ก่อนสมัยเราไม่รู้ใค่แค่คอยรู้นะากาศเคลื่อนใหม่คือรู้่รู้ได้สติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ได้ปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างพิสูจทั้งหลายเมื่อเดินอยวให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ ก็รู้ถึงร่างกายที่เดินอยู่แล้วก็มีปัญญาอย่างรู้ลงไปว่าตัวที่เดินอยู่นั่งเหมือนคุณยนต์ตัวหนึ่งก็ได้ใจเราอยู่ตนางใจเราเป็นคนดูสบายเห็นได้ตัวนี้มันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นได้ตัวนี้มันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นตัวนี้มันนอนไม่ใช่เรานอนอย่ที่ใจนะใจหัดมองให้เห็นว่า้ตัวร่างกายเราที่อยู่เดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเราเห็นเมันเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนนี ไม่ต้องสอนคนท่านง่ายๆายนะไม่มีอะไรลึกลับหรอกหรือสอนดูจิตดูใจพิสูจทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะแค่รู้เองและแค่รู้เองจิตมีราคะท่านไม่เคยสอนนะว่าพิสูจทั้งหลายอย่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ หกพิสูจนทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามันมีราคะอยู่เมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่ามันไม่มีราคะดูภารพิสูจนทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะท่านไม่ได้สอนบอกว่าดูภารพิสูจนทั้งหลายห้ามมีโทสะดูภารพิสูจนทั้งหลายเมื่อมีโทสะแล้วให้รีบหลังเสีย สิ่งที่หลวงพ่พูดเกินมานี่ยคือสิ่งที่พวกเราทำเท่านั้นเลยเวลาเราพอใจคิดทำยังจะไม่มีกิเลสท่านแค่สอนว่าถ้ามีกิเลสให้รู้ว่ามีกิเลสถ้าไม่ได้สอนว่าอย่ามีกิเลสแล้วเมื่อมีกิเลสแล้วท่าก็บอกว่าให้แค่รู้อย่างที่มันเป็นแนละมันมีอยู่รู้ว่ามันมีไม่ใช่สอนมาให้รีบหลักมันเสื่อนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นของประณีตนะละเอียดอนมากเลยในการปฏิบัติถ้าเราพลาดมันจะสุดโตง่งข้างบังคับตัวเองทันทีเลย ไม่ให้เกิดกิเลสให้ต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยนะกิเลสเกิดแล้วอาทางดับนี่ก็ต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยทําไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเป็นอนัตตากิเลสก็เป็นอนัตตาสติสมาธิปัญญาเป็นอนัตตาทั้งที่เรามาสั่งมันไม่ได้อย่างใจชอบแต่รู้ว่าอย่างที่มันเป็นจิตมีราคารู้ว่ามีราคาราคาหายไปแล้วรู้ว่าจิตไม่มีราคา ต, ตาหูจะบูกเลิ้นกายใจและต้องกรมจิตมีโทสะรู้ว่ามันมีโทสะ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 เอามาเอาคนนะไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกรำมฐานที่หลวงพ่อพูดมาที่พ่อพุทธเจ้าสอนได้ฟังยกตัวอย่างว่าพุทธเจ้าสอนอะไรมาเนี่ยเป็นคำอสอนสาหรับคนทั้งหลายคนนะแต่สําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องาการตำมฐานที่เดียวเท่านั้นเองยกตัวอย่างคนไหนที่โมโหโกรธเก่ง น, นะดูแค่ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ คนไหนโลภมากมีแต่ราคาเจออะไรชอบไปหมดเลยอยากได้ไปหมดเลยนะมันมันเต็มไปด้วยความอยากแล้วก็ดูแค่ว่าฉิบในโลภขึ้นมาจิตมีราคะขึ้นมาก็รู้ราคะหายไปจิตไม่มีราคะก็รู้เอาอันเดียวกับคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะแล้กรรมฐานจริงๆสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะนะไม่ใช่ต้องเรียนให้ครบสติปัฏฐานสะี่ที่จะเป็นพระอรหันต์ไม่มีหรอก ไ, ไม่มีใครต้องทําอย่างนั้นหรอก ถ้ากรรมฐานนั้นทำอันใดันหนึ่งเท่านั้นเองะให้พอพอดีพอดีกับที่ใส่เราที่โรคโรคดโนดรคนี่อยากตลอดเวลาจิตมีความอยากให้มาให้รู้ทันโดที่รู้ทันจิตเท่ะไหอยากเขารู้ว่าจิตไม่มีความอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นเอามันแค่ว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองก็มันหายไปพ็รู้ว่ามันหายไปนะ คนไหนขี้โกรธก็ดูไปจิตมันโกรธแล้วไปขัดใจขึ้นมาแรู้ว่ามันขัดใ จ, ด ร, ดใจรู้ทันไปเยอะนึงพอขัดใจหายไปรู้มันหายไปนล้หรือคนไหนฟุ้งซ่านเก่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปคิดคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไปจิตมีโมหะแล้วหลงไปคิดอาจจะช่วยมันนิดนึงหากพูดโทหากหายใจหากดูท้องพองยยกอะไรก็ได้วเวลาจิตมันหนีไปคิดเราจะได้รู้ได้ไวๆแล้วไม่หลงยาว ถ้าไม่มีเครื่องอยู่รองจิตเลยแล้วจิตมันหลงแล้วก็มันจะหลงนานเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนจิตมันฟุ้งซ่านมากหลงเก่งอะไรเนี้ยนะหัดพุทโธไปหัดหาใจไปแล้วจิตมันหีไปคิดแล้วมันคอรู้มันจะได้ไม่หลงยาวไม่งั้นมันหลงวันละครั้งนะคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงครั้งเดียวการปฏิบัติจิตไหลแป๊บหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิด้าเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาเดี๋ยวหลงใหม่แป๊รู้ทันก็เกิดเป็นจิตที่รู้ทันี่้นม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 จิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้จิตไม่โกรณนะดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธเขาไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธเขาไม่เที่ยงพอฟุ้งร้างก็ดูไปจิตที่นีพิคิดเขาไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวเขาไม่เที่ยงแล้วบังคับไม่ได้จิตจะนีพิคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ตรงที่เห็นว่าไม่เที่ยงนี่เราเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าบังคับมันไม่ได้นี่เราเห็นอนัตตาเห็นอย่างไรก็ได้แล้วแต่ถนัด อันใดหนึ่งนในอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทําไมต้องมีจิตสองชนิดเวลาเรียนทําไมเรียนเป็นคู่คู่จิตของเราเปกตินะมันเป็นคู่คู่อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นหรอกหลงโรคหลดหลงอะไรทั้งวนันบุตลุดไปหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่ชีวิตของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนฟื้นด้วยจิตหลง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 กลายเป็นจิตไม่โลภโดยจิตโกรธเราก็เห็นจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นจิตไม่โกรธตัวจิตหลงเราก็เห็นจิตหลงไปคิดนะแล้วก็รู้สึกตัวพนลหันระหว่างหลงคิดกับจิตที่รู้สึกตัวมันจะทําให้เราเห็นใจหลักได้มันจะพลิกไปคลิกมาพลิกไปพลิกมานะการที่เราคอยเห็นใจหลักของกายของจิตไปเ้วยเองใครใช้ใช้ออกก็ไม่เจียงใครใช้เข้าไม่เจียงก็เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่ กายหายจออกก็ไม่ใช่ตัวเรากายหายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเราอันี่ก็เรียกเราเดินปัญญายอยู่เห็นจิตนะรคหลุดหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอนะไรอยงี้มีแต่ของไม่เที่ยงหรือเราบังคับไม่ได้จิตโรคปลุดหลงเราบังคับไม่ได้จิตรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นี่เห็นอนัตตาได้เฝ้ารู้ลงไปนะเราเรียนรู้ความจริงของตัวเองความจริงของตัวเราเองก็คือไตรลักษณ์ คืออันนี้จังทุกข์ังอนัตตาเท่านั้นเองพอเรียนมาเข้ามาเข้าแล้วปัญญามันจะเริ่มเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยกระทั่งร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นของโ่วคราวร่างกายหายใจออกก็เป็นของชโชคคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชโชคคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชโชคคราวร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ก็ชโชคคราวจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็ชโชคคราวะ จิตโลภ ก, ก็ชั่วคราวจิตไม่โลภ ก, ก็ชั่วคราวจิตกโกรธก็ชั่วคราวจิตไม่กโกรธก็ชั่วคราวจิตหลงไปก็ชั่วคราวจิตที่รู้สึกตัวก็ชั่วคราวเนี่ยเรียนอย่าง น, นี้นะเรียนต่ไปหรือจิตจะโลภเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะหายโลภเราก็ทําให้หายไม่ได้ไหายของมันไเองเนี่ยเฝ้าดูอย่า ง, างนี้เรนอนัตตาจิตจะนียยะนวิคิดก็หนีไปคิดเองไม่ได้เจตนาห้ามมันไม่ให้คิดมันก็จะคิดบังคับมันไม่ได้แสดงอนัตตา ได้เฝ้าดูลงไปเรอยนะตัวนี้แรกเป็นวิธีการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะั้นประกอบด้วยรูปธรรมบางหนังธรรมบางจํานวนมากมีรูปธรรมจํานวนมากมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตนะุลมตั้งอยู่ในสเปซในากาสุขภา ส่วนจิตใจเราก็มีหลายอย่างมาประกอบกันมีความรู้สึกสุขทุกขนะ์มีความจํามีความคิดนึกปรุงแต่ง ม, มีความรับรู้ที่มาประกอบกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วแต่เกิดเราระดับทุกสิ่งทุกอย่างล้วจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเราจะเป็นไ ป, นปนตามเหตนะุเราจะเรียนรู้ตัวเองจนวันหนึ่งเราพบว่าตัวเราไม่มีนะตัวนี้อัศจรรย์ที่สุด คำว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีหมายถึงไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรถ้าปราใามีเหตุก็ย่งมีอยู่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทุกอย่างก็ดับลงไปนั่นคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรไม่ใช่แปลว่านอตซิ่งหมายถึงไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไป เรื่ปรากฏการณ์ของโลกทั้งรูปธรรมนามารรมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้านต่อตานเรามันก็ลักษณะเดียวกันคือมันมีเหตุมั น, มนก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุล้วก็ดับสลายไปในกายในใจของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับสลายไปเราเฝ้ารู้ลงไปนะจนเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตของเรานะทั้งสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ย เรื่อเกิดจากเหตุแล้วก็หมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้มีแต่ความแปรปรวนเส้นสายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานยจิตเราจะไม่หวั่นไหวร่างกายนี้จะแปรปรวนจะแก่จะเจ็บจะตายจิตนี้ไม่หวั่นไหวหรือเราจะต้องพลาดพลาดจากคนที่เรารักมีครอบครัวบางคนลูกตายลูกตายนี่ทุกข์ที่สุดเลยนะตามสถิติ เทาที่สังเกตูถ้าลูกตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดเลยถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่แรงมากสามีปัญญาตายบางทีเป็นความสุขอันนี้เอาไม่เอาแน่ไม่ได้นะเวลาที่เขทุกข์บางคทุกข์นนกกบาง ค, คนก็สุขถ้าพ่อแม่ตายบางทีก็ดีใจหน่อยๆเจ็บมานานเรา้วยการตายสตีเป็นภาระแต่ลูกตายเนี่ยนันทุกข์จริงๆเลย ตามสถิติใครมีลูกบ้างเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราใช่คิดก็กลัวแล้วรู้สึกไหมคิดเก็หวั่นไหวแล้วนะเวลาที่คิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราหวั่นไหวมากไหมไม่เท่าไหร่หรอกงั้นในชีวิตหลังนี้นมันเกิดอะไรซึ่งนึกไม่ถึงได้เสมอใครจะรู้ว่าลกูกจะไม่ตายก่อน แต่ถ้าจิตเรุฝึกแล้วถ้าลูกตายแเราก็เห็นวเออลูลกเขาทำหน้าที่ของเขาแล้ ว, ลลวล เ, ขลเขาอยู่กับเรามาช่วงหนึ่งนะให้ความสุขให้ความสุขกับเรามาพอประมาณนะอันนี้เขาแยกไปแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพลาดพลาดจากสิ่งที่รักใครมาอยู่อเมริกาเนี่แบบไม่มีความสุขเห็นไหมจําใจมาต้องมาเรียนต้องมาทํมาหากินอะไรเงี้ยไปอยู่นานๆก็ปรับตัวได้ก็มีความสุขขึ้นมาได้ คนไทยปรับตัวจริงเหมือนน้ำนะซึมไปได้เรื่อยแพ้กาแพ้คนจีนนะเขาเก่งจริงพราะั้นเรามาเรียนนะมาเรียนภาสัเกตของจริงในกายในใจของเราจนเห็นในทุกอย่างเป็นของชั่วรคราวของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องแกล้งทำ ไม่ต้องแกล้งเพราะฉนั้นเวลาปฏิบัติจะเดินจงกรงเดินไปเราก็เห็นเลยแะร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปไม่ต้องแกล้งเดินท่านนั้นท่านนี้จะนั่งอยู่ก็ไม่ต้องแกล้งนั่งท่านนั้นท่านนี้ถนัดท่าไหนก็ท่านา น, า น, น, าานั้นใครรู้จักหลวงพ่อคูณมัง้งเห็นรูปไหมเห็นะหรือว่าคุณนั่งท่านนั้นเก่งเนาะ <c oughs> ให้หลวงพ่อไปนั่งท่านนั้นคงตีหลังกางเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัง้ตงท่านนั้นได้ สามารถท่านนั่งหนึ่งการทำสมาธิได้ไหยทําได้ไหมทําไมไม่คู่กันหลังเนะ่ะตั้งกายรงอ่ะท่านนั่ง <c oughs> คุกเขา่าไอ้เรอะไรนั่งยองยอเออถ้านั่งของท่านได้ไม่เกี่ยวเลยไหอยู่ที่ใจเนี <c oughs> ย่ยอิริยาบทท่าทางอะไรเนี่เป็นเรื่องรองนะอย่าไปตัดแปลงม <c oughs> ัเราถนัดนั่งกุยเราไม่นัน่งกุยภาวนาหลวงพไม่ถนัดนั่งขึ้น โดยหุ่นแล้วไม่เหมาะกับการนั่งเกิ น, นั่นนั่งเก้าอี้เดินชงกลงล่ะโดยหุ่นของพ่อเดินชงกลมไม่เก่งหรอกมันเป็นกรรมพันนะกินข้าวน้อยกว่าลูกศิษย์หลายเท่าเลยโ ต, ตเอา ต, เอ า, ตเอาลูกศิษย์หลวพ่อหขมองว่านั่งไม่ถนัดไมเดินไม่นัดหลวงพ่นั่งเยอะนี่พอตั่งสมาธมทเหียเคลิ้มไงพออายุเยอะขึ้นนะนั่งนิ่งๆเคริ้ม พอชวิธีเลื่อน่อยไม่ข ย, ยับอย่างหลวะพเทียนนี่ถ้าสิบสี่จังหวัดขยับก็รับคาญก็จิตเป็นพวกโทสะจริต้็โทสะจริตหลวงพ่อมีพัดอยู่นั้นไม่มีนะเขาเห็นว่าหนาวถ้าอยู่ที่วัดจะมีพัดพัดให้รู้สึกตัวะเห็นร่างกายเลื่อนไหลใจรู้สึกใจดีแล้วพัดแล้วใจดีแล้วรู้สึกแค่นี้เองนะง่ายอค่นี้ ไม่เห็นต้องเดินสวยงามเท่านั้นเท่านี้เองพยักก็แค่แค่รู้สึกนี่อะไรมันก็เต็มฝูงของการเดินจงกรมที่ทำนะแค่รู้สึกพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกเคลื่อนไหวอยู่แค่รู้สึกเป็นสุขขึ้นมาแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขแค่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์แค่ยิ่งแค่รู้สึกเท่านั้นไม่เพ่งไม่เจ้าไม่บังคับไม่กดข่มถ้าเพ่งเจ้านี่มันจะแน่นถ้าแน่นเราผิดหรือตึงเกินไปแต่ถ้าใจลอยไม่รู้สึก อันนี้ย่อนเกินไปเพราะนี่ยให้หลงไปสองข้างนะอ่อนเกินไปเบาไปหลายใจลอยไปไม่รู้สึกเพ่งแรงไปแล้วมันเกิดรู้สึกธรรมดาอันนี้ตึงเกินไปอย่าให้ใจลงไปสุดโต่งสองฝันเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยง่ากมากเลยเวลาที่เราหักรู้สึกตัวนะนี่เราเพ่อจะพุยเรื่องดูจิตให้ฟังการดูจิตจริงๆเนี่ยทําได้สารพัดเลย ดูจ nice ิตเพื่อให้เกิดสติก็ได้ดูจิตเพื่อให้มีศีลก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นะไม่เหมือนกันการดูจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยตัวไม่เหมือนกันอย่างพวกเราได้ยินคําว่าดูจิตแล้เราไม่รู้ฟังวไม่ไม่เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันดูจิตให้มีสติเนี่ยเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้จะพุทโธจะไหลใจอะไรก็ได้นะพุทโธพุทโธและจิตมันไหลไหมเรารู้สึก จิตมันหนีไปเรารู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราดูที่ตัวจิตลงตรงเลยก็ได้จิตเป็นสุขขึ้นมาไปรู้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมาไปรู้จิตดีขึ้นมาไปรู้จิตชั่วขึ้นมาไปรู้เคยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตได้ใช้จิตเป็นฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรมโดยตรงเลยเนี ady, ่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะเราไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้ขึ้นเอง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 มันมีอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนตัตตาอยู่ถึงเราเจ้องอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนตัตตาในการดูจิตนี่ยอย่าเจ้าจิตถ้าไปเจ้าจิตไปดักดูจิตไปรอดูจิตมันจะไม่มีอะไรเลยในการดูจิตนี่เป็นกรกรมฐานที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะในการดํานิชีวิตธรรมดนรานี้นะรับก็อยู่คน่านหน้าปุกจิตมัโนโกรธนะรู้ทันจิตที่ตัที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปรอดูขับรถอองไป แต่เมืองนี้ไม่ค่อยดีขับร้มนม่คก็มีใครปานทำกรรมฐ า, านยากเนาะ <c oughs> อยู่เมืองไทยภรรมฐ า, านง่ายนะมันปากซ้ายทีปากขวาทีอะไร่าไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรหาไปอยยากทีนี้มันเรียบ <c oughs> ๆนึกนึกผ่านไปนะเห็นดอกไม้สวย ใ, ใจมันชอบเลยหรือว่าชอบ ลมหนาวมาหนาวไม่มากสบายใจรู้ว่าสบายใจหนาวจัดไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรืยๆการที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราแนละ้วจะสูขเกิดขึ้ น, นก็รู้ทุกเกิดขึ้ น, นก็รู้กุศลเกิดขึ้ น, นก็รู้โลกดุจโลกเกิดขึ้ น, นก็รู้เนะี่ยต่อไปมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตานารู้ เกิดอะไรขึ้นนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนปั๊บเราจะรู้เองใน่ืนนี้นะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสตินะั้นเป็นเรื่องสําคัญมากก็าเราหัดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาไอ้พิมุติมันจะเกิดขึ้นดูจิตอย่างไงถ้เาเกิดศีลกับเวลาคนทําผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงาจิตอยางความโกรธครอบําจิตนั้นก็ไปด่าเขา้าไปตีเขา้าไปทําลายทรัพย์สินเขา ทำได้ทุกอย่างบางโรคเกิดขึ้นกล้ำหน่ำจิตเขาไปขโมยเขาไปชู้เขาอะไรเนี่ยไปเอาทรัพย์สินเขาหรือไปฆ่าเขาไว้่อวทรัพย์สินทาได้ผิดศีลขึ้นมาหน้าที่ผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสกล้ำหน่ำจิตได้อย่างถ้าเราคอยรู้ทันจิตเรือๆอะไรแปลกปลอมภาได้นนจิตรู้สึกอะไรแปลกปลอมภายในจิตรู้สึกนะเพราะกิเลสแปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเนยะเรารู้สึกทันทีที่รู้สึกในกิเลสจะกระเด็นออกไปเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะหนีพเองกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงนะแต่มันขี้อายถ้าเราเห็นมันรู้ท่านมันถ้ามันหนีเลยแต่มันมันดื้อนะถ้าเราไปต่อต้านมันเมื่อไหร่มันสักเราเล็กเลยงั้นเวลาสู้กิเลสเนี่ยอย่าไปต่อต้านมันตรงๆแค่รู้สึกเท่านั้นกิเลสเหมือนน้ำนะถ้าเราไปกั้นเขื่อนน้าเกิดพลังต่อต้านรุนแรงเลยถ้าปล่อยอย่างไรลก็ตามธรรมชาติมันก็ไม่รุนแรง กิเลสไหลไม่ตั้งธรรมชาติเราแค่รู้อยู่นะไม่ตามมันไปไม่รุนแรงหรอกองั้เราไอยรู้ทั น, นะถ้ากิเลสไหลมาเรารู้ไหลมาเรารู้มันก็ไหลผ่านไปเรื่อยอย่างนี้นใจจะเกิดเสียขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าจิตของเราไหลออกนอกจิตเราไหลออกไปอย่างขนาดนี้เดี๋ยวก็วิ่งมาดูรูวข้อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็วิ่งมาฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้น ถ้าเราหันดูจิตนะถ้าเราเห็นกิเลสมาแล้วเรารู้ทันนะเราจะเกิดเสื่ขึ้นถ้าเราเห็นจิตเนี่ยฟุง้งซ่านออกไปไหลออกไปทางตาอะไรไปทางหูไหลไปทางใจเลยเนี่ยจะได้สมาธิได้ความตั้งมันน่นขะึ้นนะแล้วดูจิตให้เกิดปัญญาเราก็คอยรู้ลงไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตกับทั้งกระทั่งตัวจิตเองเลยเกิดเราก็ดับไปนะตัวจิตเองเช่นเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิด เนี่ยรู้จิตผู no ้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายจิตผู้คิดอยู่ชั kt, wrote, ่วคราวแล้วนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่นะเห็นใจรักเห็นความไม่เชี่ยงเห็นการบังคับไม่ได้หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันก็เห็นได้ความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่จะเห็นว่ากุศลทั้งหลายนะศรัทธาวิริยสติอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหม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 ตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชัว่วโมงเดินไปห้าหนาทีวิริยะหายแล้วนอนดีกว่านะ่นี่นนขเขาไม่เจียมนะให้รู้ทันลงไปรู้ทันลงไปอกูศสรุนก็ไม่เที่ยนะโลกโกรธหลงมาแล้วก็ดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนี่ยได้กว่าเราเจริญปัญญาอยู่การเจริญปัญญาด้วยการดูจิตัวใจเนี่ยเรดูได้สองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตใจของเรา อันหนึ่งดูตัวจิตเองตัวจิตเองเดี่ยวก็เป็นผู้รู้เดี่ยวก็เป็นผู้คิดเกิดดับไปก็เ่อยการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิระดับนั่นและเรียกว่าการเจริญนิพพานกรรมฐานเพราะฉะนั้ น, นๆๆดูตัวจิตนะดูทีแรกครรู้ทันเลยรแตะลอรู้ทันไปเรื่อยจะได้สติเขามีสติแล้วต่อไปถ้าเห็นกิเลสมาเรารู้ทันนะกิเลสจะานไปเลยเราจะมีสีนิขึ้นมา แล้ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหลไปดูอะไรลไปฟังเราจะได้สมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมันม่นขึ้นมาเมื่ก่อนที่หลวงพอ่อมานี้นะสักสามสี่เดือนก่อนหลวงพอ่อเจอคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีเป็นน้องของหลวงตามหาบัวท่านพาวนาเก่งมากนะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาคือท่านชอบพูดถึงหลวงพ่อให้โยมฟังโยมคนไหนไปตาหลวงพ่อให้ท่านฟังแล้วท่านฝ่อสู้ อย่าโตนะลนูกนะใช่ก็เลยคนอะไรเ่องดางอ่าหลงพออไปเยอะยก็ไปเยียมท่านบ้างท่นานกุศลพูดถึงเราบ่อยๆี่เยี่ยมท่านก็ถามหลวงพ่ว่าท่านภาวนาแบบไหนทาไมจิตเหมือนกันจิตเหมือนกันแค่ะคุณแม่มันลงที่เดียวกันได้ยังไงพ่อบอกหลวง่อเริ่มจากรู้ลมหายใจนะถ้าแต่เด็กหาใจห้ใช้เข้าหายใ จ, ใใ จ, ใใจออกอะไรเนี่ย พอใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นตื้นไปอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ตรงจมอยปากกับจมูกเนี่ยมันกลายเป็นแสงสว่งวางพอเป็นแสงสว่างแล้วเรามีสติอยู่ไม่เคลิ้ไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปเราู้ทันกตั้งมัน่นเนี่ยได้สมาธิขึ้นมาถ้าจากนั้นมาเจริญปัญญาท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันเราตามมหาบัวสอนให้ท่านพุทโธ เ้าจิตตั้งไว้ที่นี่นะพุทโธพุทโธจะจิตเครื่อนไปเรารู้ทันจิตเื่อไปารู้ทันหลักเดียวกันหรือออกไหมแต่กรรมฐานเบื้องต้นนะคนละตัวกันท่านจับพุทโธหลวงพจับการหายใจเสร็จแล้วมันมนันลงที่เดียวกันจิตเพร่มันสงบแล้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเปแสงสว่างแล้วจับอยู่ที่แสงสว่างแต่ไม่ได้ไหลเข้าไปในแสงสว่างนะถ้าไหลเข้าไปที่แสงสว่างนี้จิตจะออกนอกจะไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกเรารู้สึกตัวมีสติอยู่ดำรงสติเฉพาะหน้าจิตไม่ไหลไป แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันทจิตได้สมัครที่ท่าจะได้นจเจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาด้วยการดูกายหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเราจเจริญปัญญาคนละแบบกันนะแต่ถามสุดท้ายมันจะมาที่เดียวกันได้นะไหมมันจะมาลงที่เดียวกันได้อยู่ที่เราฝึกไอที่ฝึกแล้วแต่จะิตุดนิสัยแล้วเราไปถ้าหลวงพ่อเนี่ยฝึกมาด้วยการดูจิต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 แต่กิเลสก็เกิดอุสุนก็เกิดสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดดีก็เกิดชั่วก็เกิดอะไรเนี้ยมุนอยู่ในใจเราทั้งวันเราใครรู้เราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงทุดท่านจะเห็นนะว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้รู้ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้คิดผู้หลงผู้เพ่งก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูไปจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวะถ้าดูไปมากพอนะในที่สุดมันจะเกิดมากเกิดผลขึ้น งนอยู่ที่เราทําให้พอนะหาดดูหดัดดูอะไรแปลกปลอมเพื่อในใจก็รู้ก็ได้สติกิเลสมาเรารู้ทันมันจะมีศีลจิตสอบไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันเราจะได้สมานิแล้วเราเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ทั้จิตที่เป็นผู้คิดเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนี่เราจะได้ปัญญาถ้าปัญญามากพอ จะเกิดมั่งเกิดผลขึ้นมั่งผลนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะอย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมั่งผลเลยสั่งให้จิตโกรธยังไม่ได้เลยต้องทําเหตุให้จิตโกรธจิตถึงจะโกรธได้ยูยูโกรธไหมอ้าโกรธกรธเลยโกรธทุกคนโกรธแล้วโกรธไม่ได้ต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนต้อก็ต้องอารมณ์ไม่ถูกใจในตรึงในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันจึงจะโกรธ ไม่มีใครมากระทบเลยอยู่ๆก็ตรึกในอารมณ์ที่โกรธก็โกรธขึ้นมาได้เคยมีคนไปถามพระเจ้านะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามาราคะาไหมท่านตอบว่าดูก่อนท่านเราไม่มีการมาราคะเพราเราไม่มีกามวิตกท่านไม่ได้บอกกูไม่มีกามราคะเพรากูเก่งกูเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่ได้มีกามวิตกท่านไม่ได้ตรึกในกาม เหมืนอ่โาโทรศัพท์จะเกิดได้ก็ต้องมีพยาบาลวิโตกนะงั้นมันอยู่ที่เหตุทั้งหมดเลยเนะถ้าเฝ้ารู้เฝ้ารนะู้น่ะจะเห็นนะทุกอย่างมีเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งหมดเลยนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เพราะฉะนั้นพัฝนเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เขาเกิดของเขาเมื่อเหตุของมันพอเหตุของพักฝนก็คือศีลก็อัตโนมันตมิสติสมาธิปัญญานี่อัตโนมัติหมดเลยนะล้วเรามาฝึก แต่างตอนนี้เราฝึกนะมะบางทีก็มีสติบางทีก็มีสมาธิบางทีก็เดินปัญญาทีก็โง่ไปเลยนะแปลตัวเนี่ยถ้าเราฝึกจนชํานาญนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันแล้วประชุมตรงที่จิตดวงเดียวกันนะอริยามรรคจะเกิ ด, เ, กดเวลาที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยธรรมะฝ่ายกุศลเจํานวนมากสามสิบกว่าตัวเนะ จะเกิดร่วมกันในขณนะเดียวกันที่จิตดวงเดียวกันนั้นเลยจิตเพราะฉะนั้นจิตที่จะส่งตัวนี้ได้นั้นตเป็นจิตที่ส่งสมาติอย่างแท้จริงจิตที่ส่งฌานถึงฌานนี่ในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยถึงเราจะเข้าฌานไม่เป็นมากคอเราเห็นจิตเกิดดับแต่ในนาทีที่อริยมรรคเกิดนั้นจิตจะเข้าฌานเข้าเองเข้าเองเลยหัดนอมมัตยเลยสต่เข้าไม่นานหรอกนะกระบวนการแห่งอริยมรรคเนี่ยสั้นนิดเดียวเร็วกว่าฟ้าแรกอีก ที่จ้างกิเลสพอจิตรวมเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยสติเราเลือกอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะเลึกจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาจะตั้งมั่นคือไม่ไหลไปไหนโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะปัญญาเกิดขึ้นที่จิตโดยไม่ได้มีเจตนาจะพิจารณาอะไรที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันจะไว้ตัวขึ้นมาภายในนะเกิดระดับเกิดระดับสองขนาดสาขนาดเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยจะเกิดได้เมื่อเราฝึกฝนให้มากพอ บางคนฝึกทั้งเจดวันก็ถึ ง, งแค่ได้อัตโนมัติตัวนี้บางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีฝึกงั้นฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งที่สติสมาธิปัญญาเรามันอัตโนมัติแ้วมันเกิดประชุมพร้อมกันในขณะเดียวกันมันจะล้างกิเลสได้นะบางสติอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงสมาธิอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงปัญญาอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงต้องระดับมัตรหรืออะไรล้างกิเลสได้จริงแล้างแล้างเลยไม่ไม่มีต้องมาล้างอีกแล้ว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 เราผู้หมดแต่มาบอกเราจะเลิกปัญญาอยู่ความจริงเหตุมันขาดแลนวะอย่างนี้นเดี๋ยวอะไรก็มาใหม่เราดัาความกิเลสไปด้วยสติด้สมาธิด้วยปัญญาเยนะเดี๋ยวก็มาอีกแต่ถ้าดับได้มากแล้วขาดแล้วขาดเลยนะไม่ขาดซ้ําอีกแล้วไม่มีอยางขาดซ้ําอีกแล้วมาผลในพานไม่ใช่สิ่งเหลือพิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ ธรรมาที่พูดให้เจ้าสอนนี่เป็นธรรมะที่พอดีพอดีสําหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สําหรับซูเปอร์แมนด้วยสําหรับคนธรรมดาอย่างเรานี้ได้แต่ว่าคนทั่วไปเขาไม่รู้หลักว่าจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ใจหลักของกาของใจรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิพอจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง รู้ให้มากพอแนละ้วถึงวันหนึ่งถ้าได้มักได้ผล น, ะนั้นเวลาจะเกิดอรญามักเขาก็เกิดของเขาเองเกิดอาญผลก็เกิดต่อจากอรญยมักนะัน้นในฌานนันเลยไม่มีช่องว่างมาขัดไว้เพราะจิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างเวลาเราได้สดาปฏิมกักสดาปฏิผลนะแล้วพระจิตถอยออกมาจากฌานสมบัติที่เกิดมักผลนะกลับมาอยู่ในโลกอย่างเนี้ยจิตมันทวนกลับเข้าไปดูเลยเกิดอะไรขึ้นจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีแล้ว ดูลงมาในกายแล้วก็โกรธโกรธเลยไม่ใช่เราดูเพื่อที่จิตก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สั์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยความเขารบแล่นๆไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นแน่นๆเต็มที่เต็มร้อยเห็นความจริงที่ท่านสอนอย่างลึกซึ้งแลการที่จะพฝึกปฏิบัติธรรมแบบงมงายเะไรนี้ไม่มีแล้วรู้เลยว่าการปฏิบัติที่จริงมีสองนั่นเอง ช่วงไหนฟุ้งซ่านทําความสงบให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วดูความเป็นจริงของกายของใจเพื่อเจริญปัญญามีแค่นี้เองเรื่องการถือศีลอะไรเป็นเรื่องปกติต้องถืออยู่แล้วเนี่ยเราทําวัดฝึกอยู่แค่นี้ไม่ยากเล้ะทำนานถึงเวลาแล้วมันก็ได้ดอกผลขึ้นมาหลพาะเที่ยตะเวนเทศที่ท่องที่นี่ไปเลยนะหลวงพ่อพบความเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าสนศจจั์ เมื่อชั้3สามสิบปีก่อนเนี่ยหลวงสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งสิบคนได้ทีแรกก็สองสามคนมนะไปเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนที่มีสองสามคนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ก็นั่งขับยนต์ไปัดเก่งไปมีสิบคนแล้วไปไหนก็เช่ารถตู้ไปนั่งรถตู้ไปหาแค่สิบคนที่รู้สึกตัวเข้าไปตามวัดเนี่ยบา ท, ทีครูบ า, าอาจารย์หันมาดูเลยหันอุทานไปรวมกันมาได้เยอะนาทิน ถ้าท่านมาเห็นถึงวันเนี้ยท่านคงตกใจมากกว่า น, นั้นนับจํานวนในทั่วโลกของคนที่รู้สึกตัวคนที่รู้สึกตัวบือคนอย่างพวกเรานี่จํานวนมากในห้องนี้รู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจมันไหลได้เรารู้สึกตื่นที่มันจะมีความรู้สึกตื่นตัดใจนี้ก็คอยแยกท่าตุแยกขันธ์ไปเห็นกายกับจิตเป็นคนะอันนะเห็นเวทนาหรือความสุขทุกข์กับร่างกายกับจิตเป็นคนละนกัน เห็นสังขานคือความปรุงแต่งเช่นโลกกลดลงกัจิตนั่นคนละันกันหัดดูไปเรื่อยแล้วได้เห็นว่าทุกอย่างเลยเกิดระดับมนเลยนี่เรียกว่าขัาน้นเฉริมปัญญาละถ้าเราทําได้นะต่อไปไม่นานผลก็จะได้เข้าใจธรรมะมากมายเพราะเราก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเราเตือนเชื่อมนะันแลจิตที่เตือนจิตที่ทรงสมาธินะ่ะ เมื่อทงสมาธิได้ก็เดินปัญญาเห็นกายกับจิตเป็นโคนละนนกันเห็นโรคโดดหลงกับจิตเป็นโคละนั้นกเห็นกุศลกับอกุศลกับจิตก็เป็นโคนละนกันหัดดยอย่างนี้เรื่อยไปเห็นจิตเองเขาแปรปรวนเดี๋ยวเขเป็นผ AH ู ok ah. ้รู้เดี๋ยวเขาเป็นผู้คิดเดี๋ยวเขวิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจจิตเองเขาเกิดดับจิตเองเขาแปรปรวนนะเข้าดูอย่างนี้ให้มากนะถึงจนหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมาเลยมันยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป เราปฏิทัศน์ย แ, แล้วก็พรวนาของเราไปเลยเราพาเทียบตัวเองนะเมืนคนปลูกต้นไม้ไมเที่ยวไปปลูกต้นไม้ที่นู่ที่นี่หวานมาเล็ดพันลงไปตอนนี้มาเพันงอกงามสวยงามมากเลยเต็มไ ป, ปหมดแนะมาที่นี่ยังึงไม่ถึงว่ามาเล็ผพันแห่งคุตตะแห่งงอกงามได้ขนาดนี้สังเกตหรือเปล่าว่าใจของเราขนาดนี้กับใจของเราแต่ก่อนไ ม, ม่เหมือนกันได้บอกไหม ธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะถ้าได้ฟังธรรมแล้วจิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนตาหน้าต่อตานี้เลยไม่ใช่ไเวลาเยอะหรอกอยู่ที่ว่านท้องตั้งใจเอานะค่อยๆเรียนรู้ไปตั้งใจไม่ใช่โลกค่อยๆเรียนรู้ไปนะแล้วโลกกูจะเหรอให้ได้ตั้งใจไปถึงขยันทําเพียรนเนจริญสติไปดูความจริงของกายของใจไปวันไหนดูจิตได้ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกาย วันไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบไว้ถ้าจิตมีแรงแก็กลับมาดูจิตดูกายได้อีกฝึกไปได้าการปฏิบัติจริงไม่มากเลยไม่ยากเลยง่ายๆแต่ไป ด, ด้วยเหตุด้วยผลทุกข์ทั้งหมดเลยสังเกตความเปลี่ยนของจิตพวกเราเสิสังเกตไหมมันนิ่งมันเริม่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมส่วนใหญ่นิ่ง สังเกตต่อไปเดี๋ยวมันจะเริ่มแข็งไน่ดูพเพราะหลวพู่ดอย่างนี้บางคนเชื่อหร อ, อกนะใช่ไหมบางคนแข็งยิ่งกว่าเก่าอีกนเนี่ยเฝ้าดูของจริงง่ายจะตายไปยากอะไรเมื่อก่อนหลวงพอไปถามหลวนะงปู่ดูลนนะหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์บอกให้พิจาจรณญาคายพุทธโสพี่ น, นกคายผมต้องไปพี่นาายอีกไหมหลปูมองหน้า คือถ้าถ้าเสกชลาวะท่านาอาจจะแถมเบิร์ดกะโหลกด้วยท่านมอกหนะ้าเข้าพี่หรณากายเขาดูกายแนละ้วเพื่อให้เห็นจิตนะ่ะถ้าถ้าเมื่อเห็นจิตเหใจแนละ้วจะไปเอาอะไรกรับกายกายเป็นของทิ้งพูดจริงนะแล้วพูดโร ก, รโกับหลวงปูนะ่สุวัรดิะหลวงปู่สุวัรดเคยบอกเคยเล่านะว่าถ้านไปหาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มัน่นสอนท่านดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําความสงบไว้ไม่ใช่หลักนี้ ท่านท่านบอกเลยว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตหรือจิตเพื่อให้รู้ใจนั่นถ้าเราดูตัวจิตตัวใจได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ดูกายกายเหมือนบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอไม่เฝ้าหน้าบ้านไม่ก่อนถ้าไม่ไหวจริงจิงนอนพักก่อนคือทําทสมถะเดี๋ยวมีแรงแล้วไปดูใหมน่นะก็แค่นี้เองง่ายง่ายไม่เห็นจะยากเลยบางทีเห็นบางคนภาวนายากยาก ยากพอมทำให้ถูกหลักถ้าถูกหลักทำไม่ยากสองอันนะอันแรกทำให้ถูกวิธีการรู้อย่างที่มันเป็นอันที่สองทำให้มากนพอรู้อย่างที่มันเป็นดูมันสามนาทีพอแล้วตรง น, นี้มาู่ตัน้อยเกินไ ป, นะไปบ่อยๆดูบ่อยๆเหมือนเราทํากันมากนีิ่งทากันบ้านมากทําโจทย์มากนะเราก็ยิ่งแตกฉัน การปฏิบัติเหมือกันเราดูมากนะเราก็ยิ่งเข้าใจเร็วนานๆดูเองก็ไม่เข้าใจพอไหวไหมสังเกตแสังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจเลยไม่บังคับบังคับยิ่เครียดไปให้คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไม่นานก็จะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆพระสงมีจริงๆ ขอสู้ไหมสู้เนาะสู้กิเล้วราสู้ใทรหราถ้าประโยชน์ไ้ไปถามในกรูกเทพเราก็สู้ไหมสู้เลยนะ้นี่เสื้อกเลสนะเสื้อใครนี่ยพอสมควรใครมีอะไรจะคุยเชิญ ตรียมนีจามมาถามเลยใบลอยพวกนี้ยนะช่วยย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมขอหลงพ่อเป็นอนัตตาถ้าหานกปแล้วมันไม่หันใหม่หรอกมาทีละห้าคนสิบคนก็ได้ไม่ต้องนั่นกลมหลบมานั่นตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงลบ ห้แไม่เท่าเชิญไหนหน้าไม่เท่าท่ไหหไม่เท่าเท่าไหร่เลยมัเห็นแม้ว่ามีความสุขแต่โหลอันนี้ก็จิตที่มีความสุขแต่แล้วเสกนเปความโหลงแต่เป็นจิตที่มีโหลค่ะ จิตที่มีราคะจิตที่มีความสุเนี่ยเกิดความสุเนี่นเกิดร่วมกับจิตได้สองชนิดจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอากรุศลก็ได้เวลาความสุขเกิดจะเกิดร่วมกับจิตที่มีโลภะได้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ ดูปัจจุบันนี่แหละที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาปัจจุบันนี่ไว้ถ้ายิ่งเราฝึกในปัจจุบันได้มากเนี่ยนะชีวิตที่เหลือเนียมันก็ยิ่งดีขึ้นเลยอย่างบางคนนะฝึกๆนี่หันดูจิต ด, ดูใจเสมาธิก็ดีขึ้นนะสีก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเวลาเกิดอบุบัติเหตุอุสัติเหตรถคว่ำรถถอยเลยจิตมันเป็นคนดูเลยนะ อัตโ น, นมัตขึ้นมาเลยเวลาเจ็บป่วยนะคิดเป็นคนดูขึ้นมาเลยอยู่ที่เราฝึกเอาเรอกอย่ากวนนะให้ทําก็แล้วกัน <c oughs> ใช้ได้หต้องปฏิบัติเราใช้ได้นะ <c oughs> ไม่ปฏิบัติใช้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เห็นกิเลสบ่อยไหม <c oughs> <c oughs> น่ารักเก่ง <c oughs> ถ้าเราบอกว่าถามแล้วว่าเห็นกิเลสบ้างไหย <c oughs> <c oughs> ดิฉันไม่มีกิเลสหรอก ดังนั้นไม่เป็นดูไม่เปลี่ ย, ยนกิเลสเกิดเยอะแยะเลยมันมันสังเกตไหมกิเลเกิดแล้วมันก็ผลักดันจิตใจให้เล่าร้อ น, น, อนล้วเราก็รู้ทันไปรู้ทันไม่ใช่เพื่อเราชนะรอบรู้ทันก็ให้เห็นว่ากิเหลสก็ชั่วคร้าวจิตก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชัว่ชวคราวดูไปถ้าอยอมรับได้ว่าตัวอย่างชั่วคราวนะั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยากแนละ้วพร้อมนะต้องอย่างนท้กสิ อ่ะต่อไปอส่งสารพวกผู้ชายส่งการบ้านที่หลังพ <c oughs> สมกับบ้านก็นสุดท้ายนี่นะเป็นคนที่เครียดนานที่สุด <c oughs> ฉันเองรุ้นอนัลเหนื่อย ไม่ใช่ตัวเราผมคนเล็บฟันหนังนี่เปอนกระดูไม่ใช่ตัวเราแต่ใจต้องอยู่กับในตัวนะใจไม่ลอยออกไปข้างนอกใจต้องตั้งมั่นต่อหายใจหายใจแล้วลรู้สึกตัวไหมไม่มันติ่นเต้นหายใจมันวิ่กมันกระพุกกะพอยยังรู้สึกกลับเข้ามาหาตัวเองอ่ะสมาธิมันไม่พอคือถ้าจิตเคลื่อนออกไปนี่ยแสดงว่าสมาธิไม่พอ แต่ถ้ามไม่เคลื่อนเลยแต่แน่นๆอยู่เนี่ยสมาธิมากไปเกินไปรูปอ่ที่บ้านรามมาูปชอบฟังธรรมะรูปชอบอธิษฐานรูปไม่ชอบคลุกคลีกับกับหมู่คณะจะเป็นการที่ว่าที่ว่าเก็บตัวใช่ไหมจะจะต้องออกไปรูข้างนอกออกมาที่ <มา S 2> นอกบานนะเก็บตัวมากไม่ดีพระที่เจ้าสอนไม่ให้ทุกคลีแต่ไม่ได้สอนให้มีโลก นะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นการในโลกแต่ร้ไม่ชอบวกีออกมากระทบเสียนนะเป็นคราวๆไม่ใช่กระทบทั้งวันนะออกมาบ้างแล้วพอออกมากระทบแล้วเราเห็นในใจเราไม่มีความสุขให้เรารู้ทันใจที่มันไม่มีความสุข อยู่ไหนล่ะไหนคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนอยู่ด้วยกันไปสอนเรายองแก่พ่อนามไม่ยากเลยหรอกแครยรู้ท่านใจเราเราไปเดี๋ยวเราบวกลูกสาวเรารู้ว่าบวกล่ะใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจ ดูไปจะเห็นเลยว่าแต่และ ว, วันนะแต่และเวลาเนี่ยใจเราเปลีล่ยนตลอดอย่าให้มันนิ่งกเลอดภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่ า, ยาให้จิตติดนิ่งติดเฉยนะกลัวลงาควม่ามันกดไป ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ว ม, มันมันเหนียว่เป็นความเหนียวว่ามันไม่ยอมรับออันนี้จเจริญเจริญ <C' an> ดูดูซ้ำๆไป <C' an> นนดูปไปเลยคะคือในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว <C' an> แต่ว่าเราเข้าไปฝูกพันยึดถือไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรา <C' an> เข้าไปวนแหนเข้ารู้ของจริงไปเรื่อยวันหนึงจิตมันทนความจริงไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ปฏิบัติ ใชงเกตเลยค่าว่าจิตเดี๋ยวนี้ก็บแต่ก่อนเนี้ยตา่างกันจำได้มใจมันโปร่งโลงขึ้นมาจาใจมันค่อตือ่นแล้วถ้าบหลังจากนี้ก็แยกกายแยกใจไปได้กายที่เดินใจเป็นคนดูฝึกแยกไป ค, ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใ จ, จผู้สอนแบบผู้สอนไม่ใช่กายไม่ใช่ใ จ, จดูไปได้ยเห็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นทํางานไปใช่ได้นะ ยงขอโอกาสอีกโอกานึ่งคือยงควรจะดูจิตตรงๆมากกว่าหรือว่าจะให้ดูกายมากกว่าเท่าไหร่ดูจิตได้ก็ดูกไปถ้าดูปันไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายออกที่ดูกายเขาไม่ใช่ให้เห็นจิตดูจิตได้ก็ดูไปแต่บางคนไปดูจิตแล้วไปไปการไปแท่งจิตแล้วจิตนิ่งๆทือๆอยู่อย่างเงี้ยต้องมาดูกายดีกว่าของคุณดูจิตได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปเท่งเจ้าค่ะขอบคุณ่ ท่านไหก็เอาไม่ต้องเสียงกะ <c oughs> นมาสักการ์วของพ่ อ, อลูกก็ได้ฟังซีดีของหัวงพ่อมาแต่ว่าส่วนใหญ่เราเปิดไม่ค่อยได้นะเลยฟังถามไปสองหมาแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ฟังก็จะเก็บข้อมูลและก็เลยรู้มากขึ้นที่มีคำถามหนึ่งค่ะที่อยากจะถามก็คือว่าบางทีแนี่เวลา เราเข้าดจิตใช่ไหมคะจะมีควารู้สึกว่าจิตเรามันจะเข้าไปคิดถึงบางทีเรื่องไม่ดีที่เราไม่เคยคิดอย่างเช่นเข้ามาฝรรต<ม>แล้วก็รู้นะคะว่าเราคงไปทํามันไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะรู้นะคะว่าจะทํำยังไงที่เราจะไม่ไปเฝ้าคิดฟฝ้ามันค่ะเพรา้สึกทำไม่ได้จิดเป็นอนันตานะถ้าสั่งได้แล้วก็อย่าไปสั่งแค่นะคั้นอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีอย่าสั่งแค่ น, ะรรนั้นจบารู้มรรคผลยิ่งดีเดี๋ยวนี้สั่งไปเลย สั่งไม่ได้เมื่อมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงไปแลยเขาไม่ใช่ตัวเราเราประคับเขาไม่ได้แล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาดีเราสุขเอาสงบแต่มุ่ให้เห็นความจริงแว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับตัวอย่างไม่เที่ยงแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยไม่ตลอดเรากลับไปมันก็เลิกคืออนุนใสคือเราสะสมกิเลสในจิตใต้สํำนึกเราเยอะ สะสมอนุสัยเอาไ้เยอะถึงเวลาก็ทํางานขึ้นมาเราจะห้ามมันไม่ได้ให้มีสติรู้เรื่อยอนุสัยก็จะค่อยๆหวนกันมาอนุสัยเยป็นควาเคยชินฝ่ายชั่วในเราถ้าเราคอยมีสติเรื่อยในที่สุดจิตมันก็เคยชินฝ่ายดีขึ้นมาเคยชินฝ่ายชั่วค่อยสลายไปหลวงพ่อสังเกตนะว่าคนบางคนนะ เรียบร้อยมากเลยอยู่ข้างนอกนะัสังคมบอกเรียบร้อยมากในใจนะั้นคิดเรื่องร้ายๆตลอดเลยคนะิดซ้ายห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าไม่ยอมรับนะรู้ใจมากเครียดทําไมฉันเร็วอย่างนี้รับไม่ได้นะสิ่งนี้รับ ไ, ได้แนละ้วนั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่เราจะเร็วได้ตลอดกาลถ้าเรามีสติอยู่ด้วยนะอนุสัยที่มสาสั่งสมอยู่ความเคยชินไปช่วยอย่างค่อยๆลดลง แต่ถ้าเราไม่มีสติก็ใส่ปรุงเป็นกิเลสหยากแล้วเราทําตามกิเลสเราจะทิ้งสัจ ส, สมันน้ำใสมากขึ้น ท, ที่มันเกิดเนยียจะสป็นแบบคิดไม่เฉยแต่ว่าไม่เคยไปทำอะไรไ่เคยอะไรก็เป็นมโนกรรมะใจมันเคยชินก็ยังไม่ผิดศีลแต่เป็นแค่มโนกรรมอย่างั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็น <c oughs> มโนกรรมก็มีผลนะแต่ว่าก็ยังดีเพราะไม่ผิดศีล ถ้าให้มีสติไว้ถ้าไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องมีสติแต่าไม่ได้ทำให้เรารู้แล้วว่าไปคิดไปเหยียดอ่านแต่เราไ้ทำอะไรแล้วก็ยัอยู่ในสิ่ห้าก็ถือว่าโอเคในระดับที่เราทำบราโอเคในระดับหกคนมีสี่ห้าถ้าดีเป็นลำดับไปนะดีให้ฝึกไป หลวงพ่อคะจากเมื่อวานหนูต้องการคอนเฟิร์มจากหลวงพ่อค่ะว่าที่ปกติหนูจะขนาดดูจิตมากกว่าที่หนูเห็นหัวใจเต้นหนูดูถูกเห็นถูกนะ้หรือหัวใจเ<ม>ต้นมันไม่ใช่ดูจิตนะนไม่ใช <จ S 2> ่ใ <จ S 2> ปกติหนูจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเห็นความรู้สึกมากกว่าแต่เมื่อที่ที่เมื่อวานหนูา ถ, ถามว่าที่หนูเห็นหัวใจเต้นนี่คือเห็นกายหรือคือนี่ยคือบางครั้งความรู้สึกทางใจเด่นแล้วก็รู้ไปบางครั้งความรู้สึกทางกายเด่นแล้วก็รู้ไปเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เพงใช่ไหมค ปฏิจิตเป็นตอนนี้ไหมตอนนี้หนไม่เห็นจิตเลยะ่ะเห็นแต่รู้สึกแต่อนนี้หนเลยไม่รู้ว่าเห็นไม่ได้ามันเพ่งอยู่อย่างนี้เพ่งใช่เพราะนตอนนี้เราไม่มีทางเรืองหรอกอย่างนี้เต้องดูกายเนะาดูจิตไม่ได้เองไม่ทาได้ดูนะเจ็บเหมือนขับล <c oughs> ูกแล้ไปดูจิตได้ไงอ่ะนิ่งไปหมดใช่ไหมตพอพามาดูกายเห็น อย่างนี้ก็กินก็ยังแรงไปรา แ, แค่รู้สึกบสบายสบายแล้วสุดท้ายที่หนปฏิบัติมามันถูกทางบ้างรือเปลาคนพ่อถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติยิ่งกี่กว่านี้ <c oughs> อีกตอนนี้ดีมาจากกินกแล้วเนื้อออกอเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งใหม่เ <c oughs> แปแล้วแฉกตายออกใจตายออกเราก็รู้ทันอ ย, อ, อย่าไปรวบเข้ามาอีก เมื่อไปเก็บเข้ามาอีกเหนือไส้จะมีโชคกหลวงพ่อนะจอวปล่อยออกไปนะให้มันคลายออกคลายอาายอกให้รู้สึกออกสงสารฝรั่งนะฝรา่งปวดแล้วเวมไม่รู้เรือ่อง <ๆๆ S 2> กลับมาท่การหลวงพ่อเจ่ะฝึกปฏิบัติแนวทางของพ่อมาสองปีเช้ค่ะแล้วก็เห็นกิเลตมากมายมโดยเฉพาะขณะที่พิเค็ตเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงบริดเทอื์แต่ว่าโดย โดยที่เราอยากให้ใครเขาทาอะไรให้สัง่งลูกให้ทําก็จะเห็นว่าแรงบิดแค้ํามันมากจนทําให้เรารู้สึกว่าจะปวดหัว <ừ> แล้วรู้สึกว่าจะอึดอัดแพงเจ้าค่ะพี่เราอย่าไปรู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไปรู้คือเวลาเรามีความคิดความเห็นอะไรอย่าเงี้ยถ้าเรายึดในความคิดความเห็นของเราม่านั้นนี่เครียดนะให้รู้ทันว่าเราไปยึดในความเห็นของเร า, า, น, น, า น, นะใจจะคลายออกสบายอีกอาการหนึ่งอ่ะ ยมอาจารย์สวดมนต์นั่ง ส, นนาสมาธิตาม ร, รูปแบบแล้วก็อยากขห้หลพ่อแนว่ว่าในขณะที่ยมทำอนาตบนรสติเนี่ยจะทำตรกทางนะเจ้าค่ะครับช<อ>ี้ออกนอกหมดเลย <laughs> ไม่ใช่ว่าในวันพวกนี้ <laughs> เวลาทํานาณานสตินะอย่าเริ่มต้นด้วยการไปบีบจิตเข้ามานะทําใจให้สบายกันยิดก่อนยิ้มก่น mm hmm. อนตัวนี้ใช้รับสําคัญ น, นะ mm hmm. สังเกตไหมพระพุทธรูปมันยิ้มหมดทั่ว mm hmm. เลยมีไหมพะะ mm hmm. ระทั้งใครก็ทําในยิ้มนะใจจะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจ mm hmm. จิตไหลพิคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลพิชิต จิตเที so so, ach, girl, ่ยวไหลออกไปนะแล้วก็รู้ทันตลอดตลอนะบางทีมัมันติดซึมออกมาหน่อยนึงเพราะเนี้ยพอจิตไหลไปแล้วมันเคลิ้เคลิ้มหมดไปนเคลื่อนออกไปมันเคลื่อนออกไปเพราะถอยออกมามนยืดติดออกมาหน่อยหน่อยพยายามรู้สึกตัวไว้นะการทำอนาปาตสติหมายถึงว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการทํำอนาปัตสติไม่ได้แปลว่าให้น้อมจิตเข้าไปซุ่มๆึมอยู่กับลมหายใจ แต่ถ้าเรามีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจลึกลงไปรู้หายใจตื้นๆรู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้รู้ไว้สบายๆพอจิตมีความสุขกับการหายใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่วิ่งคลานไปเที่ยวหาอารมณ์อย่างอื่นจิตแค่จะสงบอยู่กับลมหายใจใเคล็ดลับของการทําอนาตตาสติหรือทําสมถะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ความสุข ความสุขนึ้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธขากกาิขอบคุณเจ้าคกับธรรมศสกษาพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ <มา S 1> ่อมาได้ยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่เข้าใจคือทำอานาปานสติหายใจไปด้วยความรู้รสึกตัวนะหายใจสบายๆไม่ได้เป น, น้องจิตให้สงบไม่เท่าไหร่จิตจะสมบของเขาเอง ถ้าเราไปนับจิตให้สงบเนี่ยจิตจะเบลอๆเคลิมๆไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวยังมีความสุขจะสงบรวดเดียวเลยเคล็ดลับันนิ้เดียวแต่เราก็ก่าจะได้เคล็ดน้ฝึกนานนะเล่นานานานานสติที่สิบสองปีกับธรรมศกกากะของพ่อเจ้าค่ะก็ฟังเสียงของหลวงพ่อมาระยะหนึ่ง ตอนนี้ก็รู้ตัวบ้างแต่ว่าที่ทํางานนี่จะเป็นแบบว่าจะโดนลูกค้าด่ายเยอะอถื อ, อก็มีโทรศัพท์ใดๆก็จะดูอาการไปมันก็หลงไปก็ดีใจแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูไม่ได้รู้ค่ะว่าตัวเองดีใจแล้วมันก็จะกลับมาอีกมันก็ไม่แหลกเข้าเดิมแต่ว่าจะหาทางกำจัดมันนะคะกําจัดอะไรกาจัดความโกรธนะอันนั้นในคาคิดด้ค่ะความโกรธนี่นนะ ก็จัดอยู่ในสังขารขันสังขารขันเนี่ยเป็นตัววิบากนะเยอะเลยหน้าที่ที่เราไม่ทําอะไรเราหน้าที่เรารู้อย่างที่มันมีอยู่รู้อย่างที่มันเป็นอยู่หน้าที่ต่อขันห้าจะดอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อขันห้านะ่ะเพื่อนรู้ละเดียวตัวอยา่างเรานรู้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธ ไม่ใช่หลอาล่าอะไรล่าความอยากให้หายโกรธล่าความอยากนะส่นนสวนความโกรธนะให้รู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่ก็นั่นสมาธิก็จะไม่ก็จะฟงแล้วก็คิดมากกั อ, อย่างนี้ต้องไปเดินจงกรมอะเดินจงกรมก็ฟุ้งและคิดมากเหมือนเดิม <laughs> งั้นเราย่าไปบังคับจิตนั่งสมาธิจิตฟุ้งสร้างหรว่าฟุ้งสร้าง จิตนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแต่ ว, ว่าก็นะนั่งอย่างมีความสมุขนั่งรู้สึกตัวไปสบายๆนั่งแล้วรู้สึกตัวแล้รู้สึกเป็นไงรู้สึกไปได้ไง เ, เขาบอกว่าให้ดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นแต่ว่าไม่เคยคิดเลยเขาเป็นคนอื่นนะครับแล้วมันจะเป็นเราอยู่ถ้าดูถึงเวลามันรู้สึกเองนะอย่างบางคนแปลงฟันอยู่เนะี่ยเห็นมือไม่ใช่เรานะเห็นร่างกายขาเป็นท่อนๆไม่ใช่เรานะ อี่เป็นเองนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกนิดนึงนะคะหนพอคือว่าทำงานที่ทำงานเป็นงานในบ่อนนี้ค่ะ ม, มันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมทำงาน24ชั่วโมงมแต่จะบอกหน้าผ่อนแล้วก็เราหนาไป <c oughs> อยู่ในบ่อนแล้วก็เนะอาหนาเอาหนาไปถือว่าอทำหน้า <c oughs> ที่ นานนะไ ม, ไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกทำไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปโกงใครเราอย่าไปคิดว่าเราทํางานบน่นสมว่าเรามีหน้าที่จับสถานที่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราทํางานจับสถานที่อย่าไปคิดว่าเราทํางานบอนเลยเราก็ซอยออกมาให้ถูกหน้าที่ที่เขาจ้างเราไปทํอาอะไรเมื่อวันกร์ขอพ่อะ จะส่งสภาวะไม่แน่ใจว่าที่เห็นใช่หรือเปล่าคือสออาทิตย์ที่แล้วก็ดีจิตเขาก็ไปเห็นเหมือนกับว่าเอ่อความคิดที่อยากภาวนากับความคิดที่อยากไปดูหนังฟังเพลงค่าเท่ากัน ม, มันมีความอยากืให้จิตมันมีความอยา ก, ถ, กถูกต้องแล้วเออวันต่อมากม็เห็นอีกอเขาก็เหมือนกับเห็นว่า สิดีกับไม่ดีก็ค่าเท่ากันเกิดแล้วก็ตายแล้วแล้วก็เห็นอีกก็เห็นอีกเหมือนมันนึงคือเดินเดินอยู่มไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาก็เหมือนตังมันขึ้นมาแล้วก็หันมาดูตัวเองอแล้วเหมือนกับโกงไปหมดเลยอะไรนะกลกงค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรเขาบอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแต่คือไม่แน่ใจเอ๊ะหลอกฝัดหรือเปล่าแค่ขันเหรอ คือเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะไม่ไปหลงอยู่ในความคิด น, นะดูกายก็ปกวดหัวดูจิตก็งกลงไม่มีตัวเราตรงไหนหรอกนะแต่ว่าอันนี้มันล้างด้วยสมาธิอยูนะ่เราลองให้มันล้าได้มากจริงๆค่ะเราทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อมีอะไรนั้นำนไะคือสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยสเสมอกันเท่าเทียมกั น, นด่วยความเป็นไตรลักษณ์เราบังคับไม่ได้เกิดเราดับเหมือนกัน แต่ค่าของมันไม่เหมือนกันดนะังนั้นอย่างจิตเราเห็นเลยอยากอยากฟังเทศอยากไปดูหนังฟัง เ, เพลงเขาอย่างด้วยกันพรเรารู้ทันจิตที่อยากความอยากดับคราวนี้ก็จะเหลือเหตุผลแนละเหตุผลสมควรจะไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสมควรจะทําอะไรก็ทําอย่างบางคนแยกไม่ออกอยากกินยู่ข้าวอยู่ข้าวไม่ใช่กิเลสแต่ตกะก่อนั่นกิเลส ถ้าจิตมีความอยากกินเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปคราว น, นี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรจะกินก็กิน ห, หรือเวลาขี้เกียจขึ้นมาง่วงนอนในเนี้ยรู้ลงไปความขี้เกียจหายไปเหลือเหตุผลแนละ้วสมควรจะนอนก็นอนเพราะนั้นเราจะดำเนินชีวิตด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าตัวอย่างเท่ากันแล้วทําอะไรก็ไดนะ้นั่นจะเป็นลัทธิที่หเป็นวิจฉาทิฐีอยกไปเพราะว่าการทําดีกับการทําชัวนะ่วนั้นให้ผลต่างกัน ทำชั่วแล้วตนเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนแล้วคือขออีกคําถามนี้คือก็จิตออกนอกบ่อยแต่ว่าถ้าพูดโทรหรือว่าดูลมหายใจก็ไม่ค่อยได้่หาจาตเที่ยงก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็หลงนานะน้องดันต้ก็หาเครื่องอยู่นะหะเครื่องช่วยอย่าอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายบางคยกเคื่อนนิดเดียวแค่นเนี้ย <c oughs> แค่แล้วก็รู้สึกแต่ว่าบางทีเคลื่อนนานๆแล้วหนีไปนะตั้งนานทั้งมือก็ยังขยับอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ดีก็พยายามเพิ่มความรู้สึกให้แรงขึ้นนีดหายใจไปหายใจสบายสบายเห็นล่างกลยหายใจแลยพอใจสักครั้งเพิ่มสักนีนก็เปลี่ยนจะมาหายใจแรขึ้นไหน่กระตุน้นความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วหายใจใหม่แย่างไรก็ได้ถ้าสิทิ์ไม่มีเครื่องอยู่เแล้วหนีนานลงยาที่ฝืก อ, อยู่ใช้ได้นะครับ สมาธยังไม่แรงพอพางการมาก็ข้าวแห่เลยค่ะการที่ได้มาเจอพระอาจารย์แล้วก็วันนี้ข้าวแรกที่เจอคุณมีความติดมากเราะงั้นเราเท่าเทียมกันมีควา <c oughs> มติดมากตั้งแต่ว่าเม่อจากที่ไม่เคยดูจิตเลย<ม>เพราะว่าปฏิบัติทางสมถะสมาธิรูปแบบหมอกี่อ่าจะได้รูแบบแบบนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มานั่นงดูจิตในพระ พ่พารยานำตลอดก็มีความรู้สึกว่าปิติเราทำได้ง่ายมีความเปิดตานใสดีใจอ่ะตอนนี้การปฏิบัตินี่นะคะก็จะติดอยู่กับคิดว่าทรงนจะเป็นสมถะเพราะพอเวลานั่งตามรูปแบบพอถึงเจริญพอเข้าพอเข้าพอเข้าพอเข้าสมาธินะอาจารย์ก็จะดูจิตเลยเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีกายเรรู้เท่ารีย้อยได้นะ เวลาน่าสมาธิโลกธาตุหายไปแล้วแที่จิตจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ข้างในเพรานั้นเราเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ในสมาธิใช่ได้ไหมใช้ได้ใช่ไหมได้ลงพอก็ตั้่กอนมีารอย่างเดียือมผ่านเเหมือนลมกลมข้าแต่ น, นั้ น, นรู้สึกไปน ะ, ะว่าไม่มีเราที่ไหนอนนี้พอทาได้เห็นอย่างนี้ปุ๊บคั้งแรเลยคือจิตเราดูจิตจิตเราจะฟูมากเลยกลับเข้ามา พอเราติดุ๊บติดฟุ้งกลับเข้ามาพอเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วจิตว่างแล้วจะถึงระดักเลงนะที่ว่าจะใส่ลยพอใสของเราตอนนี้จะมีความรู้สึกว่าอเราจะติดสบายไปแล้วนะคะเหมือนมีความปีติเราทาไมอิน้ำไมมีความสุขไม่เป็นไมีปีติรู้ว่ามีปีติอิโวอิมใจรูว่าอิมโวยมใจถ้ายินดีพอใจในความสว่างความว่างความสุขให้รู้ทันมายินดีพอใจ ถ้ายินดีพอใจเรา้ทานแล้วเนี่ยจะไม่ติดเก็นิมน่เจริญปัญญาอยู่นะว่าจะนิ่งเกิดอไไม่ถ้เข้าไปเราเป็น่งอยู่เฉยๆนี่เป็น้างอเฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นสว่างสบายแล้วจิตเรายินดีรู้ทันเรียนความรู้ทันเกินระดับอยู่นี่เจริญปัญญาอยู่ปัญญาเนี่ยจะไม่ดูออกนอกให้แสงสว่างแล้วออกนอกไม่ออกออกจิตไหลไปดูออก้ก็จะไป จะไปออกจะไปมองหาเพื่อนแม่กระทั่งแสงสว่างในสมาธิเนี่ยนะถ้าจิตเราเคลื่อนก็ไปดูที่แสงสว่างนั้นออกนอกเรียบร้อยแล้วถ้าไปออกนอกนั้นแสงก็ส่วนแสงจิตก็ส่วนจิตนะแล้วจิตยินดีในแสงด้วยยินดีไม่ติดหรอกเนี่ยวมมีคาพิจิตติไม่เป็นไรปิตติไม่ใช่อาญกรรมจะมีความอินสบายอ ยิ่มสบายไม่เป็นไรแต่ถ้ายินดีพอใจในความยิ่มสบายแล้วไม่รู้อันนี้ถึงจะเป็นเอเพราะฉถ้ายินดีเรารู้ทันว่ายินดีจะไม่ติดก็ละหันมีปีติได้ไหยมีความสุขได้ไหมมีมียเยอะด้วยไม่เห็นจะติดเลยเราก็ไม่มีรลักานไม่มีตัณหาเพราะถ้าตัณหาแทรกจะติดมีตัณหาแล้วสร้างอก สัรหาเป็นผู้สร้างภพนไหมงั้นมีสว่างสบายมีความสุขมีปีติขึ้นมามีตัรหามีความชอบยินดีพอใจน ะ, ะค่ายผูกพันนี่แหเป็นภพอันนี้ข้อละหักจาะนะตอนนี้ก็ลงลงกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนั้นมาเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เลยเก็กลับมาดูกายเรากลับมาดูกายรู้สึกหนะักรู้สึกที่ทาไมเห็นโมระหักกระดูดไม่ใ่ตดวเอาก็หัทอีกหนักความส ปันแล้วนะเราในความคันดูไปเสียงีจะทุกนะข์นะค่ะสังขารเนี่ยทุกข์ได้ดูอีกดูอีก่เ<อ>ดูไปให้เห็นใจให้ใจมันแข่แ จ, จ้งเลยว่ามันเป็นทุกข์จริงรตอนนี้มันไม่แชงมันไปดูเห็นนิดหน่อ ย, อยเลยไม่ออกดีก ว, ว่ากูเอาฟสุขดีกว่าค่อม่นี้ม่นี้มีขึ้นไปแบงบานเออไมัน่ได้กลับมาอีกแล้วจมจมไปแบบนดัทงไม่ออกให้รู้ทันว่าจิตติดในวามสุขอันนั้น แต่แล้วก็น้อมใจกลับเข้ามาเรียนรู้ทุกไว้ไม่รู้ทุกไม่เห็นธรรมนะเขาสู้นะตัวนี้งั้นจะติดกับดับตายไปซวยมากเลยเป็นพระปลงก็เป็นพระปลงแล้วเนี่ตอนนี้พระการเราว่าอยาให้พระการแนะนำะ่ะจะู่อย่างนี้ต่อไปขึ้นขึ้นโมโหริต่อไปแล้วมีทางไหนที่ว่าฝึกอย่างนี้เลยฝต่ฝึกต่อไปอย่างนี้เลย เห็นเลยว่าอันนี้ก็พบพบหนึ่งเดี๋ยวใจก็ยอมละอายพบว่างสว่างเลยน้อมลงมาดูกายดูใจไปเห็นแต่ทุกข์แต่โทษไปเลยแยกกายเป็นส่วนๆไปจับกระดูกถอดเป็นท่อนๆไปนั่นแหละเล่นไปนั่นแหละที่ทําอยู่นั่นแหะถูแล้วด้วยแล้วตอนนี้พอเราออกจากสมาธิอยู่กับชีวิตประจําวันเราจะคอยอยู่ที่ที่ลมนะคอยดูลมตลอดเวลา แล้วก็เวลารู้ลมน่ะอย่าไปให้ลมมันล็อกเกินจิตเคลื่อนไหวไม่ได้ให้จิตมันเป็นธรรมชาติรู้ลมเป็นแค่แป๊กเปล่าไม่รู้จิตเป็นหลักเนี่ยไม่ใช่รู้ลมเป็นหลักจิตนอนไม่หยิบหยิบลมให้ติดสมรรถะถ้าถึงเมื่อวานอาจารย์สอนให้ไดมีความอย่าเลยเมื่อานล่าเลยนะเพราะว่าเราตามจิตเราได้นะต้องตามตามร้วมไม่ใช่ไปแต่ล็อกให้นิ่งถ้ารู้ลมจะนิ่งเกินไปใช่ไ เราสิเรารู้ลมให้เลื่หาให้จิตเคลื่อนตามลมไ ป, ไป้รู้ทำขนนะยคบ้มดี๋ยวจมลงไปใหใจเรารู้สึกตัวใหใจเรารู้สึกตัวเท่าไว้ <c oughs> นไน่นีวิคิดก็รู้หนะนีวิคิอให้รนะู้เอะ กราบนมัสการค่ะโยมเพื่งจะได้ฟังเอ็มพสามของท่านประมาณสักเดือนหนึงนะคะก็เลยแต่ว่าได้นั่งภาวนาสมาธิมาเป็นตลอดเวลานะคะแต่ก็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 สมุทไทยมาแล้วก็ฮิ โ, โร่ก็พยายามเรียนรู้ฟังเทศของท่านทุกๆวันนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ติดติดก็เลยบอกตัวเองว่าเราต้องเอาบาร์ึกเ อ, เอามาใช้แล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยว่าจิตเริ่มเข้าใจความรู้สึกนะคะเมื่อก่อนนี้เข้าใจก า, กายก็จะเพ่งไปที่กาย ดูร่างกายแล้วก็จะจะเครียด น, นะคะแต่ระยะหลัง น, น, นี้ก็ตามความแนะนาของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าสบายใจตามตามดูจิตไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าพิจารณาให้เข้าใจถึงจิตตัวเองค่ะแล้วบางทีก็รู้รจิตออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามดึงเข้ามาเลยค่ ะ, ะ, คะแค่รู้ว่าไปนอกไม่ต้องดึงดึงนี่เราโลกแล้ว ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจจิตว่าจิตค่อยๆมีสองจิตอย่างวันวันนั้นมีวันนขับรถไปก็รู้สึกว่าขับไปเรื่อยๆแต่จิตเราก็รู้ว่าเราขับรถนะคะแล้วอีกจิตหนึ่งก็คอยสังเกตดูรู้ว่าขันนี่ทำงานแต่เราจะเป็นไประยะแค่นั้นพอแล้ว เพเวลาีนเวลาขับรถนะตูแต่งขันไม่ได้หรอกแต่รู้เลยรู้เสมออ๋ออันนี้ท่านหลวงพ่อพูดพูดถูกแต่ก็บางครั้งก็จะสับสนนะคะก็พยายามดิพยายามเข้าใจจิตตัวเองตอนนี้ครั้งแรกก็เขียนข้อข้อคําถามเยอะเลยพอท่านมาเทศเขารู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกหรือไมถูก ตอนนี้ก็ปวดเล็กน่อยเพราะว่าจิตใจตื่นเต้นค่ะก็ขอรีบท้ดีเพราะคุบเวลาไปรู้สภาวะนะจะให้จิตมันถล่ลงไปรู้นะเวลาอยากรู้ลงนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่หลงอย่รหลงเแค่รู้แค่รู้อยู่ห่างๆนะไม่ถล่มลงไปหมดถล่มลงกลายเป็นเพ่งก็เพ่งก็สว่างเึ้นมาสิเพราะนั่นาทสมถะ ถ้าสั่งฟัขึ้นมาก็ติดติดแล้วก็ไม่เจริญปัญญาย้อนมาดู ก, กายก็ทุกดูจิตก็ทุกเป็นภาระไมหมดไม่เอาดีกว่ากลับไปอยู่สวรรค์อ๋อนี่ใช่ไม่เปไ็นไรพระพุทธเจ้ามีอีกหลายโฮมที่ที่โยมปฏิบัติอรือใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ ก้าวหน้าสิข้าวไปเยอะแล้วมารยาทไม่ค่อยได้ทําการรูปแบบค่ะแต่ว่าพยายามฝึกตาที่ฟังหลวงพ่อในซีเรียแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าพยายามสังเกตเวลาความเครียดความโดดอะไรเงี้ขึ้นมาอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็พอสังเกตจบก็ ก็จะไปสังเกีกว่าหมอวราเวลาทางานเร่งๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเครียดๆอะไรนะคะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อข้างหลังองเอ็นกระบางลงแรงมันหดขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าความเครียดหรือว่าความเร่งรีบอะไรเข้ามาก็จะรู้จะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อมันหดแล้วตัวเองก็พยายามเรียบปล่อยมันลงการทำแบบนั้นแค่เป็นการแทรกแซงว่าทําอย่างนั้น่กนอพพราะว่ามีความรู้สึกว่า คืครั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็เราจะเห็นว่ากาล้ามเนื้อเรามันเกร็งเราก็ผ่อนคลายให้มให้มันช่วยช่วยาทำงานใช่ถ้าไม่งั้นนะมันจะกลายเป็นชเชี่ยงเหล่ากล้ามเ น, นื้อเจ็บวดแทบสุดแล้วก็อีกคำถามนึ้งค่ะก็คือว่าเรื่องอคือตัวเอง อ, อ่ะชอบชอบ ชอบให้แต้มตัวเองเอาเวลาทําอะไรแบบว่าสมมติว่ากุศลจะเอากุศลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือพยักคือดูแค่ตัวเองอะค่ะสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราเราจะไม่ไม่คิดอยากให้อะไรเขาจะยังไม่ยังไม่มีตรงนั้นนะคะแต่จะเล่นเธเองว่าถ้าสมมติเราโกรธเนี่ยเราดอเราใส่บลบให้ตัวเองละ <c oughs> เราก็จะไม่โกรธอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเราแบบนี้เรื่อง ม, มันมันจะเป็นการสะสนพลัขขง แก่ตั ว, ว่าไม่เห็นแก่ื่หรือเปล่า <c oughs> ให้รู้พอเราเองก่อนก็ยังดีแต่แ ต, ต้องรู้นไม่ต้องไปนสนใจคนเื่นนะแต่ว่าจรงใจเราโกรธที่มันก็รู้แต่ไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ใช่ว่าโกรธแล้วก็ปิดลบนะโกรธก็ปเป็นสภาวะธรรมที่สอนธรรมะเราเข้าๆกตีนัเลยแต่เราไม่ได้ทำตามที่บำโกรธซะแล้วต้องทาอะไร ทำไม่น้นใจทำไปไม่ใจร้อนนะมิควรใจร้อนทํำไปสบายสบายสม่ําเสมอสําคัญฝึกไปได้ให้สบายๆถ้ารีบร้อนยิเครียดจ่ดถ้าธรรมดาเครียดน้อยก็เพลียลุยแรงไปขึ้น้นรู้สึกแบายสบาย มสการหลวงพ่อรามบุ่โยมเองเป็นหลานของคุณกนิษฐแล้วก็เป็นสาวของสังยายกขอกราบขอกรมาหลวงพ่อที่จะยุ่งเกินกายวาจาและใจและขอกราบขอพุกุลหลวงพ่อที่ไม่ถดถอยดิค่ะสาธุบางรายังมีคนขอมาอีเดี๋ยวนี้ปไหนมีแต่คนขอมาที่ประกาศแล้วนะ เขาพข้ามาแล้ข้หมดแล้วนะจริงคุณพ่อคะคือโยมมีปัญหาการปฏิบัติคือเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วมีแสงสวา่างเหมือนกับโยมที่เื่อ ท, ที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธินะคะแต่โยมท่านนั้นไปสวา่างนะโยมไปนรกตลอดเลยทำไมล่นะค่ะ <c oughs> โยมจะเห็นโทสะเห็นบางครั้งมันเกิดเป็นแสงสวา่างก็จะเห็นเป็นไฟว่าอะไรบ้างทราบว่าเป็นกิเลส ต, ตัวโทสะ แล้วก็คือใจจะไม่สู้ค่ะเขาจะ<ม>ถอยอยู่ตลอดใค้ให่อย่าไปดูที่แสงอย่าไปดูที่ไฟแ <ạ. S 2> ห้กลับมารู้ทันที่จิตเช่นจิตกลัวรู้ว่ากลัวจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะกลับมาดูจิตคไม่ว่าไม่ว่าสภาวันอะไรเกิดขึ้นนะห้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตที่จิตค่ะเมื่อกลับมาดูที่จิตแล้วบางทีจิตไม่มีกําลังค่ะหเธอพ่อ สู้ไม่ไหวจะ ถ, ถอยค่าเดียวโยมครูจะทําอย่างไรที่จะท่าใจให้สบายนะคิดให้เราก่อนก็ได้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยช่วยมันคิดพิจารณาไปช่วยที่เป็นพิจารณาได้ได้ต้องช่วยมันก่อนอบางครั้งคิดว่าเธพิจารณาแล้วก็เกรงว่าจะมีการ ดิฉัพุกงสร้างลงไปก็จะพยายามตามดูมนคะคือถ้าตามดูไหวให้ตามดูไปถ้าตามดูไม่ได้ก็คิดพิจารณาค่ะค่ะอาจารยได้ไม่ถูกคบาอาารยสอนแบบนี้เลยนะค่ะหลพ่อพุทธท่านสอนการพิจรารณาการคิดพิจารณาไม่ใช่พิจารนาคือในการนำร่องให้จิตมันเรยปัญญาหรือการคิดพิจารณาเนี่ยมันได้สมถะทําให้จิตสงบจิตมีแล้วมีแรงมันมีแล้วก็วมาได้ยนพัจาราต่อค่ะเพราะฉะนั้นก็ พยาามสู้ต่อไปน ะ, ะสู้ต่ อ, ส, อ, อสู่สู้ก<ป>ิเลสเจ้ต้ตสู้เอานะกิดเลสเป็นครูสังเกตในผู้เจ้าสอนนะดูพระที่สูจนเท่าไหร่จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาทำไมท่าน ไ, ไม่สอนดูพระที่สูจนเท่าไหร่จิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีราคาเราก็รู้ว่ามีราคา ก็ยืนพื้นของเรามันกิเลสแล้วนะท<ช>่าสอนให้จักสิ่งที่ว่าเรามีเยอะแล้วก็เรามีกิเลสเยอะแยะแล้วท่านเริ่มต้นจากกิเลสถึงไปไม่สู้กับมันแต่เรียนรู้มันไปให้รู้กิเลสสวยกิเลสจีสจิตสวยจิตคานีกับอะรอเชิญนัมักตนอนพ่อค่ะ ตอนที่เริ่มต้นหนูฟังเทศของพ่อนะคะหนจะรู้สึกแน่นมากแล้วก็แน่นมากที่คอค่ะนี่คือปัญหาของการปฏิบัติของหนูแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันบาลงทีนี้ในในช่วงที่มันแน่นนะคะก็ไม่ไม่ทราบนะคะว่าหนูกดหรือหนูเท่งหรือเห็นความมีความโลคหรือความอยากปฏิบัติอย่ที่หลวงพ่อก็พูดเมื่อวานนะคะไม่เห็นตรงนั้นแต่หนูจะรู้สึกมากว่ามันแน่นมากค่ะแน่นจะเป็นตัวแล้ว นะมีกิเลสเกิดการบังคักิเลสให้อยากปฏิบัติเกิดการปฏิบัติให้บังคับตัวเองเป็นการกระทำกรรมเกิดวิบากขึ้นแน่นแห่งนะกิเลสกรรมวิบากผลกันอย่างนีง้เพราะฉะนั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้วะอยากแล้วก็ผลิภาวนาไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูความจริงของกายของ ใ, ใจไปไม่หวังผลอะไรหรอกถ้าจะสบายแต่ถ้าอยากปฏิบัติยาขึ้นแน่นเลย แล้วหนูรู้สึกว่านเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากอะค่ะเพื่อนจะบอกว่าหน่มันเป็นคนอไม่ค่อยพูดแต่จริงหนูทราบว่าันพูดมากค่ะแต่พูดข้างในพูดข้างในแล้ววันนึงมันพูดจนแข้นด้ยนะพูดจนจนคือเราเห็นว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้พูดออกปากค่ะจนบอกตัวเองว่าหยุดพูดได้แล้วมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะขอคำแนะนํากหลว คถ้า จ, จะได้ข้างนหยุดพูดเขาทำสะตาพุทโธไปแทนที่จะให้เขาพูดสเปดสะปสะนะให้เขามาพูดพุดโทโธนรโมสังโฆอะไรซะแต่ห้ามพูดห้ามไม่ได้นะพาไปพูดเรื่องอื่นซะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนที่แสนเอโ ก, กอได้ฟังสติของหลวงพ่อในช่วงที่ชีวิตเขากำลังละบากทุกข์มากเลยฝากมา ก, กับน้มันสการหลวงพ่อที่ ที่เขาได้ฟังสีดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารอดทนจากช่วงนั้นที่เขาไม่ค่าตัวตายค่ะเอาปากหนาวกับมืเายสที่เขาไม่ค่าตัวตายซะก่นียนะะแุกมากๆในสัามผัสธรรมะธรรมะของผูเจ้าไม่ใช่ขงลงพ่อมางนี้เลยใช่ไหม ทีจะทางศึกษาวิธีปฏิบัติหลายรูปแบบที่จะถูกเฉลกของตัวเองค่ะแต่ก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่า ว, <ม>วิธีไหนจะถูกเฉลมากที่สุดก็วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตินะที่สำนักน้องสำเน็ตนี่สอนแล้วสังเกตให้ดีมันคือรูปแบบของ์การปฏิบัติอย่ า, างตอนนี่สอนของยุคทนี้พุโทโธทนันีหายใจนี้พี่นางกา ย, เ, ยเป็นรูปแบบอะไร ตัวสําคัญที่เป็นแกนกลางของการปฏิบัติจริงนะมันมีสติไหมมีสมาธิพร้อมไหมฝึกพวกที่ขึ้นมาแล้วก็ไปหารูปแบบที่พอดีพอดีเราแล้วแต่นิสัยนี่ยนัตัวสําคัญเลยที่ต้องพัฒนาขึ้นหม่ได้ไม่ว่าจะอยู่สำนักไหนให้ต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วรูปแบบอะไรก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าสติไม่ถูกสมาธิไม่ถูกใช้รูปแบบอะไรก็ผิดหมดแหละ ใจมันฟุง้งไปใจมันฟุ้งเพราะงั้นทำใจให้สงบบายมันนะหาอาร ม, รมาณ์กรรมฐานสักอย่างนพูดโธอะไรก็ได้ะแล้วแต่สนัดอนไหนที่อยู่แล้วสบายใจก็อยู่กับอารมณ์นั้นก็จิตใจสงบจิตใจสบายแล้วจิตใจตั้งวั่นที่มารู้ตัวก็มาดูการดูใจทํางานจะดูแบบไหนอ่ะตามสํานักไหนอะไรก็ใช้ได้หมดละคือ ถ้าใส่ใจได้ดีนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะเป็นอาหารธรรมะของครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เราไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยนะแล้วเวลาเราไปเจอทากปฏิบัติเท่าไหร่เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเขา้วยถ้าเราเรียนหลักของการปฏิบัตนะินล้วรูปแบบของการปฏิบัตนะิเนี่ยมันไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากันแล้วแต่ใครสนักอะไรก็ใช้นั่นแหลเพราะฉะนะั้นเราฝึกสติถูกฝึกใจให้ตั้งมัน่น สติที่ถูกต้องก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันแล้วก็สมาธิที่ถูกต้องก็คือใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เพ้นจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันอย่างเงี้ยนะจิตไหลไปดูรู้ทันจิตจะตั้งมัน่นถ้ามีจิตตั้งมัน่นมีสติระล อ, อยู่ในกายในใจด้วอจิตที่ตั้งมัน่นก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ จะไปใช้ดูท้องฟองยุบก็มีจิตเป็นคนดูก็เห็นว่าท้องนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราถ้าขยับมืออย่างรู้เทียนก็เห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตเองก็ไม่ใช่เราใช้กประฐานอะไรเหมือนกันหมดลงที่เดียวกันหมดแต่ถ้าทําผิดนั้นก็ลงที่เดียวกันไปลงสมถะเพ่งไปดูท้องฟองยุคก็ไปเพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจ ไปดูเวทนาเ็เพ่งเมื่อไหร่จะชนะเวทนา เ, นาเราเราจะรู้สึกว่าทำไมคำสอนมันหลากหลายแล้วก็เข้ากันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะลิงกันตรงไหนมันลิงก์กัสติกับสมาธินี่เขาเน้นสติกับอุเบกขาอุเบกขาเนอะไรระดับนะอุเบกขาของเวทนาตัวอย่างหนึ่ง น, นะ <intent>? อุเบกขาที่เลิศที่สุดเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาแสงสังขารอุเบกขาอย่างเป็นชื่อของปัญญาอยื้อๆจะไปทำให้เกิดอุเบกขาได้การบังคับเรานะเป็นอุเบกขาเพราะสติเพราะสมาธิเท่านั้นเองสึ่งท่านอุเบกขาเพราะปัญญาเกิดได้เมื่อใดนะเลิศที่สุดเลยอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นมันเห็นว่าความสุขก็ช่วคราวความทุกข์ก็โชคราวและจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ เป็นอุเบกขาต่อความสุขและความทุกข์ตรงนี้ถึงยดีแต่ถ้ามีเวทนาขึ้นมาบอกให้ใจเป็นอุเบกขาอันนี้สมาธิเราอุเบกขาตื้นๆอยู่แล้วเวลาปฏิบัติมักจะมีทีนี้นทาคราะห์งอยู่เลยกระตุกกรดิกระตุกกริกแล้เคลื่อนไหวไหมบางคนนั่งนิ่งไม่ได้นั่งนิ่งแล้วสูงสูงิ่งแล้วหลันเคลื่อนไหวเรา เ <S an> คื่อนไหว ม, มากไม่ได้ไม่มีที่จะเดินถ้าเราที่เราพาักแคบแคบเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแบบลงเข้าเทียนก็ได้แต่ถ้าลำคาญไหนจังหวะทั้งสิบสี่อย่างลำคาญแค่กระด ก, กะติกเ <S an> คลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เอาไปตองต่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เกลียร์รู้สึกแต่เคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหว อ, อยู่แล้วไม่ค่อยลับ คนนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุห้าสิบขึ้นจะอยู่นิ่งๆทีก็ซึมไปใช้ร่างกายมาช่วยกระดูกกระดิไว้บางทีไม่หลวงพ่อไม่ไม่นั่งนิ่งตั้งแต่เป็นโยมนะขยับเช้าด้วยนะบาที่นั่งทำงานขยับมือนะันั่งเกลียดคือนั่งประชุมเราก็เข้าไปได้นั่งเกลียนขยับเคลื่อนไหวอย่างเวลาเราประชุมเนี่ยเขาพูดกัน สังเกตดยแต่นคนเรือเข้าประชุมแล้วพูดนะเนื้อหาสาระไม่มากนานมากตอนที่เขาฟังแล้วก็พอนานเราไปมันีเนื้อที่น่าสนใจเราก็ฟังเราเวลาที่เหลือเราก็พอนานหรือเราไปขาของเนี่ยสบายเลยเวลาขายของพนะานานได้ตลอดไหมแต่เวลาที่ทำงานต้องคิดอย่างเขียนซ่อมแหวนอะไรเงี้ยปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เหลือกระุกเด็กไป ถ้ามันสุงนะใช่รอยังให้นีไปคิดให้หนีไปคิดให้รู้ทันหีไปคิดอีกยังอย่างนีแล้วถ้ารู้สึกนะรู้สึกไจิตไหลแล้วรู้เถอะรู้สึกอ่าไปมาสการ์ของพ่อกับฟังซีดีของพ่อมาหลายปี คำชักช่วยของเพื่อนครับหมอท็อปน่ะติะช่วงหลังก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบเยอะขึ้นก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ า, ายังไม่แน่ใจว่ายังบังคับอยู่หรือเปล่าปกติฉีดเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ก็รู้สึกมิ่งไม่เหมือนแต่ตอนนี้บังคับนะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงแต่บังคับเดี๋แต่ถ้าในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ จิตกระทบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เราดูได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เพ่งหน่อยแต่ถ้ากระทบอะไรเรากเฉยกระทบอะไรแล้วเฉยอันนี้ติดไปบังคับมากได้สักเกต น, นะนะวนาน่าเป็นคำนั้นนะครับตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะค่อยทำไปเรื่อยขอบคุณถ้าอึดเดียวค่อยๆอึดไปนะไม่รีบร้อน ่จิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะมันแฝดขึ้นมารู้ว่าฝุดขึ้นมามันหายไปรู้ว่าหายไปเราสึกไปสบายๆนะะอันนี้บ้างครับกลัาสันเกตุพ่อครับวันนี้ฟังทํามพ่อคือเข้าใจในส่วนมากขึ้นนะเพาจิงๆตอนนี้คำถาเยอะมากเราเราฝึกดูเจ็บลงามาตลอดนะครับว่ามัน มันเดียเด๋ยวโกรธเดียเด๋ยวไม่โกรธเดียเด๋ยวโลกเดี๋ยวไม่โลกคดี๋ยวราคาเ้ี๋ยว่าดี๋วพอใจในความเสงาง น, น, นัืออย่มันก็จะชบนะะี้ครับบางครั้งเวลาที่รู้ตัวะครับว่าเราโกรธนั่นคือคือมีผู้รู้เผู้คิดอยู่ใช่ไครับใช่บางครั้งก็อยากจะให้มันหยุดโกรธผมทราบว่ามันยากะะมันมันไม่ได้ะะชไหครับมันไม่ได้เพราะเป็นเงางต่างใช่แต่ถ้าเกิดบางครั้งเขโกรธบางครั้งเขาอาจจะพูดไม่ดีหรืออะไรไปเราจะทำยังไงให้ความโกรธ เสมมคือเราต้องตั้งใจไปก่อนนะว่าเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะเวลาที่เราทำไม่ศัสนาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดจิตเนี่ยมันจะโกรธได้ไม่เหมือนทําสมาธินะถ้าทำสมาธเนะไม่ต้องพูเรื่องศีลเท่าไหร่ไม่ยุ่งกับใครวันๆเลยมุดเข้าถ้ำรูปเดียวแต่ถ้าเราเดินไม่ัาสนาเนี่ยจิตมันจะอิสระมันจะโกรธขึ้นมาตั้งใจก่อนวนะ่าถึงโกรธก็ไม่รุกรานใครตั้งใจบอกมันได้ๆนะบอก ทุกวันวันแล้วก็ปลย่ยใหตรวจแล้วก็ดูเราครับอา่าโอเคครับเดี๋ยวจะลฝึกเพิ่มเติมดูครับครับมีคาถามทาง บ, บ้านครับพอดีมีเพื่อนวสาฝมาว่ า, อาพอดีเมยุกครับเราก็อยากจะสอนลูกให้เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรง่ยงงายที่สุด เ, เพราะพจะนั่นองออ่ายง่ายเลยนะแม่เข้าธรรมะ่านนดีไครับ ก็แม่แหละก็ทําตัวอย่างให้เด็กเอ็นอยู่ๆมัเชื่อวเข็ดเด็กให้มีธรรมะนั้นเด็กไม่เอายิ่งสอนพ่อสอนแม่แล้วยิ่งยากกว่าสอนลูกนะสอนพ่อสอนแม่ต้องทําให้ดูให้เราเข้าเห็นความเปรียแตกของเรามากๆพี่โาใช้ได้นะนะครับโอนาใช้ได้แก่มันเป็นคนรู้อยู่ได้เลย้ๆขันมันแยกออกไป ดูออกบ้างไหมอยกความโกรธกับจิตเป็นคนละขันยังใช่ไหมครับแต่ละขันมันแยกขันนะความโกรธมันเป็สังขารขันจิตมันเป็นมิจฉาขันขันมันแยกออกเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตเก็คนละนั่นก็คือตัวเวทนาขันมันแยกออกไปเพราเราเห็นขันในเชินเดียวแล้วแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวนะเราจะเห็นใจรักแต่ถ้ามันรวมกันมาเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวเราอยู่เนี่ยดูใจรักไม่ออก อย่าพิเพงเลยแน่นครับขอบคุณอาาครับคือกวคนที่จะเกิดนีนะแล้วจมีจะไปอท้าในลักษณะบคือการดูดเขาพูภาษาไทยได้ไหมแล้เปิดซีดีหรอให้ได้ยีนเรื่อยๆเ่ะหลายคนเขาใช้วิธีนี้นะได้เป็นไร ในเมืองไทยอ่ะจำนวนมากเลยที่พอขึ้นรถ น, นั้นก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยเด็กมันก็ฟังไปได้สนใจบ้างไม่สนใจบ้างวันหนึ่งแม่โมโหเลยมาครับก็บ้วเด็กบอกแม่โกรธเรารู้ว่าโกรธนะผมเป็นแสงมากมันเป็นเองอ่ะ <c ười> นำ้ำมัสการครับทา่านอาจารย์วันนี้ที่ท่านอาจารย์เทศก็รู้สึกว่าช่วยตอบปัญหาที่ผมสงสัยอยู่หลายข้อครับผมทีนี้ก็จะเหลือคำถามว่าคือก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางสายพระปราดนะครับมาหลายปีแล้วครับแต่นี้มันก็ขึ้นล ง, ลงไม่ได้มาตรฐานใชครับคือครูอาจารย์รักษ า, ท, าท่านสอนโดยการทําให้ดู เวลาเราปฏิบัติอยู่กับท่า น, นเนี่ยต้องแช้สังเกตเอาเป็นนั่งถามไม่บอก ง, ง่ายๆนะท่านทำให้ดูนีแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปฟังจะง่ายเวลาผมไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ตอนที่ไปอยู่วัดนี่ยม็น็ดีครับทีนี้พอออกมาท้างนอกแล้วมันก็มันก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งกระทบแล้วมันก็จะเสื่อม มีอารมณ์โกรธ้ไเนียเ<ด>พราะวเราวัดความดีด้วยสมาธิเวลาอยู่วัดนจิตมันสงบม็นสบายแล้วเพะว่าดีออกมากระทบโลกอารมณ์แฝงไปแปลงมาแล้ ว, ว่าไม่ดีคำว่าดีกต่ไม่ดีของคุณเนยคุณใช้มาตรฐานจากสมาธินะแต่ ถ, ถ้าใช้มาตรฐานของปัญญาอยู่วัดแล้วสงบซึ้บือไปเลยไม่มีปัญญาแต่ถ้าอยู่วัดแล้วเห็นท่าเห็นขันมันทำงานได้ทั้งวันอันนั้นมีปัญญา เราพองมาอยู่มากันโลกอยู่กับโลกเนะี่ยเห็นธาตุขันมันทำงานเห็นชีใจมเปลี่ยนแปลงมีปัญญาถือว่าดีนะไม่ใช่ไมด่ดีแต่ถ้าเอาความสงบเป็นฐานแล้วก็ออกมาอยู่บนโลกยังไงก็ไม่ดีหรอกก็ปกติผมก็ตอนนี้ก็เริ่มคือแอบฟังคำเทศนาท่านอาจารย์มาหยันไม่ <c oughs> ต้องแอบหรอคือสารภาพว่า ตอนนั้นที่มีปัญหาก็เลยรู้สึกกังวลว่าถ้าฟังแล้วเดี๋ยวจะเกิดาำร็จในใจก็ก็เลยกลัวจะเป็นบาปเพราะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงอะแต่ก็ฟังเพราะทาตามก็จะรู้สึกว่าใจได้ไดรับความสุขแล้วก็เห็นผลความเครียดที่เวลาปฏิบัติแล้วเครียดก็จะเบาไปาพระธของพระ้านุะอัศจรรอยู่ในตัวเองนะคือถ้าเรา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 แจะขอเอาไปโฆษณาไม่ต้องหลวบอกพ่อเองนะว่าไม่ต้องเราไม่อยากหลังใครเขาจะผีเขาช่วยไม่ได้อเออเราไม่ได้พอนาเพื่อให้คนนักถือนะแต่ว่าคนเล่นงานหลวงพ่อไม่หลงเนะี่ยเพราะผลงานนะคนไี้พาวนาเป็นนะนับไม่ถ้วนนะเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะมีจริงๆนําจิตออกแอบทุกได้จริงๆ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 แต่ว่าเวลามันฟุ้งซ่นมานมากก็ทำความสงบเข้ามาสงมบมมพอสมควรแล้วสบายแล้วนะก็ปล่อยให้ใจให้ใจทํางานแล้วมีสติด ต, ตามรู้มันไปถามอาจารย้ค่ะพระาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วก็ตามบอกว่าให้หนูไปดูเอ อ, อย่กคิดมากหนูก็เลยกลับมาที่พุโทโธแล้วก็สังเกตเห็นตัวเองว่ามีความคิดฟุ้งซ่านมาก แล้วก็มีโมหะแล้วก็มีความคิดถือความคิดมั่นถือมั่นในตัวเองมากมีมานะสูงมากอืค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เรียนสังเกตารณ์ว่าเราเปลี่ยนทำสูงเงล้คล่ะขอบคุณค่ะต่อไปนี้ก็ทําอีกค่ะจิตเราตั้งวันขึ้นมาก็เห็นขันมันแยกออกไปค่ะกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลและกุศลไม่ใช่ตัวเรา แล้วจิตเป็นเราอย่อนหนึ่งใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกแจิตเป็นตัวเราเองแล้วถ้าไปแค่คนดูนะก็ดูไปเดี๋ยวแค่จิตจะไม่เจียงนะเดี๋ยวเขารู้สึกตัวเดี๋ยวเขาหลงไปตัวเองนั้นะทีนี้พอคือเนื่องจากว่าหนูจิตนิวรน์เ่องง่งนอนย่ำมาหลายเดือนมากทีนี้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้หนูกลับมาพุยโทแล้วก็ดูรู้สึกตัวในอินเดียบทยมากพิขึ้นเมื่อก่อนนไม่ได้ดูกาย ตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาดูการมากขึ้นทีนี้ก็เลยเ อ, อรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงความนิวรณ์นั้นหายไปอืแล้วก็นิวรณมันช่วยด้วยสมาธิมันมีวันหนึ่งค่ะที่นิวรณันเกิดขึ้นแล้วจิตเหมือนกับว่าเราจำคำสอนองพระอาจารย์ได้อะว่าอย่าไปเพ่งถ้ายิ่งเพ่งยิ่งชาร์จิตมันเขาเป็นแตกนิึานแล้วเขาก็ดูดเลยอืจิงไงยนะค่ะ งงแล้วเขาก็บอกว่าเราประกันไม่ได้เขาจะถ้าเขาจะทําได้เขาทาได้ของเขาเองใช่ค่ะแล้ววันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คือช่วงเนี้ค่ะที่หลวงพรวนาจิตเขาจะเหมือนกับผ้าคล้คายๆคลายกันนะคะว่าอันนี้พอรู้สึกตัวแล้วเนะี่ยอันนี้คือสัญญาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสำคัญที่นี้่มัหมนหลวงพรวาตรงนี้จิตฟุ้งซ่านค่ะแต่ที่นี้เนี่ยดูก็มันเหมือนกับเห็นว่า มันมันเห็นขันห้าวนเวียนเปลี่ยนแบบคล้ายๆกับว่าส่งต่อกันนะคะเห็นถึงปัจจัยส่งต่อกับสิโบนกนเ่งนะแต่ว่านั่นคือความสั้นใช่ไหมคะไม่เรารู้ไปสบายๆนะดูสบายถ้ามันภาคมันภาคมากๆพูดไม่เลิกเนี่ยจิตมันฟุงให้เราไปแค่คนดูค่ะแต่ว่าอันนั้นผิดผิดไหมคะไม่ผิดเบื้องต้นเราจะพาก่อนค่ะ แต่พอต่อไปพอการรู้เราชนิดชำนาญขึ้นมันก็รู้เฉยๆไม่ภาคนี่ภาคบางทีก็ภาคหนำมาถ<ช>ึงตรง น, นี้เดี๋ยวให้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจเ้คือเขาเหมือนเขาเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเห็นว่าหลงเนี่ยเขากบอกนี้คือสําคัญนะแต่ถ้าเห็นไปในอดีตเขาบอกนี่คือสัญญาแล้วมันจะเห็นเป็นว่าสัญญาสำคัญเวทนายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียนทะเอทะยานค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึงที่ที่หนูเดินอยู่อ่ะแล้วหนูพยายามดูอยู่กับปัจจุบันขนาด แล้วมันเกิดสภาพที่ระหว่างเดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัจจุบันมันจบลงตามมาหลังนะค่ะแบบทีทีีแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าพบมันเกิดดับเกิดดับทีทีเนี้ยไม่ทราบว่านั้นเหตุคือเหตุถูกเหตุถูกแต่ว่าหลวงพ่อพิจารณ์ที่ว่าอะไรที่สําคัญก็แค่รู้อะไรก็ไม่สําคัญหรอกนะแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นดับพอแล้วแค่นั้นนะคะแค่นั้นค่ะหรือมีอะไรที่ปกป้องที่ควรจะได้ ก็ให้ใจได้พักบ้างก็นะ่ให้มันฟุ้งไปในธรรมะมากค่ะขอบคุณครัหลวงพ่อสองคำถามครับความกลัวความขมวดมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็มันพอรู้ก็รู้มันก็หยุดไปมันก็มันก็สางวัลก็กลัวอมันก็เกิดขึ้นเรืยๆทีนี้มันก็เกิดดักเกิดดักนี้เมื่อไหร่จะหยุดปัญหาปัญหามันยังมีครับปัญหามันยังอยู่ มันก็กลับไปคิดเรื่องนี้ยิ่งมัก็เกิดกังวลอีกที่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขณะปัจจุบันนี้อยู่แล้วแต่พอเราไปทําเหตุใหม่เราไปคิดเรื่องนี้อีนะถ้ากังวลอีกก็เกิดอีกถ้าเหตุมันไม่มีนะจะต้องมาคิดเรืงนี้มันก็ไม่กังวลแต่ว่าถ้าเราเห็นไปด้วยเฝ้ารู้เข้าดู เ, าเห็นวัตถุอย่างในชีวิตเราเนี้ยโชคลาภไปหมดใจมันจะค่อยๆไม่กังวลไป ที่มันกังวลเพราะว่ามันกลัวกระทบเราแล้วควารู้สึกไหนที่แบบว่าเออตอนนี้ดีแล้วนะทําทดีแล้วครับคือมันจะมีความรู้สึกไหนที่แบบว่าเออคือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไหลามาไหลไปนะเราเป็นแ ค, ค่ค น, ด, นดูไม่เข้าไปหลงยินดียินร้ายไม่เข้าไปแทรกแซงก็พำนานดีอยู่แล้ว <S <S หรือการดีคำว่าดีคำว่าไม่ดีเนี่ยแต่และคนแต่และเวลาไม่เหมือนกัน อย่างคนไม่เคยมีศีลเลยแล้วเคยมีศีลที่มันก็ดีแล้วทั้งชาติไม่เคยทําสมาธิเลยนะถือแต่ศีลเงี้ยก็ชักจะไม่ดีล่ะก็ต้องพัฒนาเพราะคำว่าดีเนี่ยต้องไม่หยุดนิ่งพระเจ้าบอกท่านให้เสนอเสริมความดีที่หยุดนิ่งท่านเราต้องพัฒนาไปเรื่อยถ้าพอไปหยุดนิ่งอยู่เนี่ยถือว่าไม่ดีละอย่างไม่เคยมีศีลแล้วมีศีลให้มันก็ดีมีศีลแล้วก็ยังรู้จักมาทําสมาธิก็ดีิขึ้น มีสมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ถือว่าไม่ดีกันแล้ดีก็ไม่ดียังสัมผัสอยู่ในของที่เปรียบเทียบอยู่นี่ของนี่พอดีคุณป้าอ่ะตอนแรคือบางครั้งทำท่านอาจารย์ถามมาแล้วเกิดรเกิดครับกลับนามัศกายหลวงพ่อค่ะเกิดยม ฟังซีดีแล้วก็มามื่สี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็ทีโยมก็เห็นเพลทตัวเองเยอะเห็นที่เห็นทางโสดง่ามากเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนอ่านในซีดีที่หลวงพ่อตกปัญหาคือมีก้อนเมื่ยโยมก็เห็นโยมก็เล่จะสนุกแันนี้พอหลังจากโยมรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งโยมติดตกเลยไม่รับอะไรเลยติตโยมไม่รับเลยเลยน้องๆก็บอกว่าให้เอาซีดีอะไรมาอ่านโยมก็ไม่รับโยม เพลงไปอย่างเดียวคือเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย<ช>่างเงี้ยใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะค่ะยัยังเป็นอย่างนัง้นตลอดเาตอนตนี้รักษาเสรขึ้นโยมก็กลับมาดูใหม่ก็ตอนนี้ปัญหาของโยมคือโ ก, โกรธ ง, ง่ายยังเหมือนเดิมกิเลสยังเยอะเหมือนเดิมแล้วตวนอนนี้แล้วคือโยมติดชอบเป็นตรุงแต่ง แ, ตตแล้วก็โยมรู้ว่ายมตรุงแต่งแต่โยมรู้สึกมันสัใจโยมปรูงแต่งมันสัใจจนมีควาให้ให้รู้ทันนะบางคนเวลามีกิเลสอะมันพอใจนะ เราพอใจอย่างนี้ผู้หญิงเป็นเยอะผู้ชายก็ที่เราพ่อสังเกตอ่ะเช่นชอบแสบแสบเจ็บเจ็บแสบแสบ แ, สบแล้วชอบทีดอะ <c oughs> ่างนี้สวมมีดยันนังเองในนี้ <c oughs> เราโมโหแล้วเ ร, เราสะใจ <c oughs> ให้รู้ท <c oughs> ันอย่างเนี้ยให้มันยอมใจ <c oughs> เราโยงรูปนุ่งแต่งเราโยมดึงกลับมากลับมาค <c oughs> ัวร <c oughs> ู้แล้ไปให้รู้ <c oughs> ทันว่าเนี่ยกินดีพอใจอยู่ให้รู้ทานว่ายินดีพอใจอยู่รูไปนะทุกท่าน มีถามดีขนมยา <laughs> นิพพานเป็นภาวะที่ค้นทุกขนกิเลสนะพ้นจะความจิ้นโหน่งุ้งแต่งพ้นจะความหิวกระหายในจิตเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่ไม่ผ่านเนี่ยทางเดินเนี่ยคืออริยมรรคคำนี้อริยมรรคโยงแปดฝ่ายระยะเ ย, ยอะย่อลงมา ก, ก็คือสีสมัมปัญญานะเราเอาหนังสือหลวงพ่อไปดูนะมีเยอะเลยตรงนี้ถ้าเราพัฒนาศีลสีเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอยา่ยาง สมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสกลางๆปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กับความโง่เราพัฒนาเครื่องมือในการต่อสู้ไปเวลาโชคกับกิเลสอยากเราใช้ศีลเราสู้มันไม่ได้ไหวเราค่มจิตไปก่อนไม่ให้ทาําตามใจกิเลสเวลาจิตเรามีแรงขึ้นมาพอกิเลสมานะเราก็ใช้สมาธิของเราขมกิเลสบ้างส่วปัญญาเนี่ยจะเห็นความจริขงของกายของใจของรูปนามไปแท้ที่จะรัดคอนเ็งผิดไป ที่คุณถามเนี่ยดีนะแต่มันคือทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าโี้ยผู้หญิงผู้หญิงันนี้ครับคำถาม เจชว่าไปเลยเชชครับผู้อิคนี่บอกว่าทําสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าตัวร่างกายหายไปแล้วก็กลัวอืเราไม่รู้จะทำยังไงต่อให้รู้ว่ากลัวนะเดี๋ยวร่างกายก็กลับมาคือให้คอรู้ทางใจของเราไว้เจสก็ตอบได้ครตอบได้ครับให้โอกาสเออ He said, "When fear arises, when the body disappears, know that fear has arisen no l o g e Just know that whatever arises in the mind, know that. Don't worry; the body will come back." Happy. You are alone. Alone. Shazad is talking to the a group. Bye. s h a z a is teaching the l a s s Good. ก็นีเก่งนะมีหูมีตาอดแล้วนิพพาน็นความสงบนะในสันตินิพพานมีลักษณะเรียกว่าสันติลักษณะใจเราไม่ค่อยมีสันติเลยเส้าใจไหมอย่าคิดนะคิดแล้วอดสันติภาพเ่ย นิพพานมีจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยพบไม่ไคยเห็นเร า, าจริตนาลงการานิพพานจิตนาลังการนี่ ย, กกยเขาไม่ถึงเราไม่รู้จักแต่นิพพานนั้นมีจริงๆต้องภาวนานะถึงจะเห็นไม่ได้มันปลุกแต่งให้รู้ทันไม่ใช่ว่าจะทํำยังไงจะดึงไม่ให้ปลุกแต่ พระยังคิดไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ท่านไม่หลงไปในความคิดม่ทำไมความมีปวดกลับาล ต้องอย่างนั้นสิทุกปีให้ไม่ได้นะเอาครูบาอาจารย์มาเทียบกับหลักส <laughs> <laughs> <laughs> ิตไม่ได้เนอะนอะตามพระพุทธเจ้าบอกว่ากลับด้วย นี่มารอบนี้นะคนแถวเฮียมันนิมนต์หลวงพ่อมีธุติยาปีตัดยาปีอะไรเริ่มร้อแล้วก็ลงลงนะแต่ว่าหลวงพ่อก็องดูเวลาก่อนนอ<า>ปีนี้ไม่มีครับไม่มีเว็นนาหรือเลยถ้ันนา น, นๆเลยหลายๆวันหลวงพ่อได้ทำหมดสงสัไม่ได้พักกันสิเห็นนะ